สุดท้ายการม่อยู่ที่นี่เนี่ยแต่ก็ยังมีบางคนนะที่จะอยู่ต่อก็ขยับจากนี่ไปอยู่ที่วัดการมาปฏิบัติธรรมที่นี่ก็ถือเป็นการมาวัดดูคุณภาพชีวิตตัวเราเองว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนวัดคุณนทำวัดภูมิธรรมว่าชีวิตเรารู้กับหลงเนี่ยอันไหนมีมากกว่ากัน ได้หลายคนวัดดูสติที่จะควบคุมความคิดควบคุมอารมณ์ของเราแทบไม่มีพอดีคือหลงไปอยู่กับความคิดความปรุงแต่งอยู่กับความมีความเป็นไปหมดนะท่ันเวลาเจริญสติสร้างจังหวะเดินจุกลมอะไรจึงไม่ปรากฏว่ามีคุณธรรมอะไรปรากฏขึ้นมีแต่ความฟุ้งซ่านมีแต่ความคิด มีแต่ความง่ว ง, หงเหงาเ้านอนจะมีคุณธรรมบ้างก็เป็นความเพิ่งจะเริ่มต้นว่าเริ่มอดทนแต่อดทนได้แต่ากายในจิตใจคุณธรรมมันไม่มีกำลังที่จะต่อสู้กับกิเลสขนาดเราใช้เวลาเจ็ดวันมาพัฒนาความรู้สึกตัวคุณธรรม พัฒนาศีลพัฒนาสมาธิพัฒนาปัญญาในการออกจากความหลงเนี่ยยังไม่ได้มันบ่งบอกถึงว่าชีวิตเราเนี่ยอัตตาตัวตนมันเริ่มจัดขึ้นเรืเ่อยๆมันไม่สามารถที่จะเรียนรู้หรือเข้าใจอัตตาตัวตนที่เรามีนี่ได้ถ้าให้นั่งอยู่เฉยๆหับตาเฉยๆ เหมือนกลบมันไว้หรือเข้าไปอยู่ในถ้ำอะไรประมาณนั้นอัจจะพอได้แต่พอจะออกมาจากถ้ำแล้วดูรูปทรงดูอะไรของถ้ำอะไรเป็นยังไงเนี่ยเราทำไม่ได้อย่างเวลามันคิดเนี่ยเราบอกมาดูความคิดสิให้เห็นความคิดเวลามันขี้เกียจ ด, ดูความขี้เกียจให้เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของ อกุศลอกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงจิตมันก็ทำไม่ได้มันไปอยู่กับความผิดความถูกความถูกใจความไม่ถูกใจการพัฒนาจิตตามหลักของสติปัฏฐานสี่เนี่ยก็คือการกลับคืนเข้ามาหาตัวเองพยายามที่จ ะ, ะระลึกรู้เพื่อมาดูว่าชีวิตเราเนี่ยเราหลงไปอยู่กับความคิดมากน้อยแค่ไหน ถ้าหากคุณทำในใจเรามีมันก็เกิดการถอนนันตาตัวตนออกมาตามลำดับของสติตามลำดับของโพชทธชงคือก็เกิดการปล่อยวางได้ยิ่งถ้าคนสติดีปัญญาดีมันรู้จักว่าอะไรเป็นทุกข์การยึดติดความคิดทิฏฐิมานราฆตัญหาในมันเป็นทุกข์มันก็ปล่อยวางตั้งแต่มันมาแล้ว ต่นนี้เราซักซ้อมทุก ว, วนันทุกวันเอาแทบเป็นแทบตายพยายามที่จะให้จิตเกิดปัญญาปล่อยวางมันก็ไม่ปล่อยไม่วางประกวนยิ่งปฏิบัติยิ่งตัวตนขึ้นมากชอบอันนั้นไม่ชอบอันนี้ชอบโน่นชอบนี่ป้า น, นั้นถูกไม่ถูกอันนี้ผิดไม่ผิดไปเรื่อยๆถือมีแต่ความเห็นมีแต่ความความเห็นที่มันเป็นสามาทิติเนี่ยมันไม่มี เห็นว่าจิตว่างไม่มีมีแต่อยู่ติดอยู่กับรูปแบบอะไรไปเรื่อยๆดน่งนั้นพุทธธรรมจึงไม่ปรากฏว่าจะมีอยู่ในใจเราบางทีจิตรู้ตื่นเบิกบานเนี่ยมันหาความว่างความไม่มีตัวตนอะไรเนี่แทบไม่ได้วันๆหนึ่งอยู่กับความคิดวิชามันหา ศี่คือความปกติของจิตเนี่ยสีละแปลว่าปกติมันปกติจิตปกติทําให้มันปกติแทบไม่มีบางทีสี่ไม่ใช่สี่หน้าสีลแปดสี่สองร้อยสามร้อยไม่ใช่สี่นั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการดับทุกข์นะแต่เป็นเรื่องของสังคมนะอยู่สังคมไหนเขาก็ให้มีระเบียบ ว่าศีลในพุทธศาสนานี่เป็นเป็นอธิศีลสิ่ขาที่ทนําไปสู่การสลายศีลกําจัดกิเลสอย่างหยาบสมาธิกําจัดกิเลสอย่างกลางปัญญากําจัดกิเลสอย่างละเอียดเราถือศีลห้าศีลแปดศีลสิบสองร้อยสามร้อยเนี่ยกําจัดกิเลสอย่างหยาบอย่างโทสะได้ไหมโทสะที่หยาบที่สุดละโลภกลางโมหะ หลงเข้าไปในความคิดไปๆเนะี่ยคือต้องจัดการด้วยปัญญายาณแต่ว่าเราถือศีลมาตั้งนานถามว่าดับโทสะได้ไ้ยไม่ได้จิตเด็ดยังหยาบโทสะโลภะความโลภเมื่อไหร่ที่จิตเรามีสมาธิเวลามาได้อารมณ์มันปล่อยวางไปโมจิตมันวางความโลภมันหายไปมันดับไปอะ่ะ ถ้าเราบอกว่าจิตเรามีสมาธิความโลภ ก, ก็ยังมีปัญญาก็ไม่เกิดนิยาถ้าบอกว่าใจเราปฏิบัติรรมแล้วมีปัญญาแต่ก็ยังหลงเข้าไปในความง่วงหลงเข้าไปในความฟาุ้งซ่านหลงไปในความปรุงแต่งอันนี้คือไม่มีปัญญาอยู่กับโมหะตลอดอยู่กับวิชาตลอดอันวัดดูสิสติปัญญาตัวเองมาปฏิบัติรมเป็นยังไงบ้าง มันดีขึ้นไหมหรือมีแต่เหตุแต่ผลของอัตตาตัวตนขึ้นมาป้องกันตัวเองคุณนำทำเราเจริญงอกงามเติบโตได้ไหมสติตื่นตัวให้ไหมรู้ไหมตื่นไหมเบิกบานัหยเราทำนำไปสู่การรู้แจ้งคือสตินะสมโพชง สติคือความะ ร, รามละรรมละรึกรู้การระลึกรู้การเฝ้าดูเนี่ยบางทีเราทำต่อเนื่องยังไม่ได้เลยร mm hmm. ละละรึกรู้อยู่กับกายก็ยังไม่อยู่กับกายแต่มันก็ชอบที่จะนั่งเฉยๆเพื่อจะหลับไปเรื่อยๆเลย mm hmm. แล้วสติ น, นั้นจะมาทำงานอะไรได้สติ เ, เขาให้มาระวังความคิดมาระวังความง่วงระวังความเหงา ระวังความเบื่อความหน่ายความขี้เกียจรวมเรียกว่าเป็นกิเลสนั่นแหละแล้วมันทำงานไหมมันไม่ทำงานแล้วเราถามว่าเราชอบอะไรก็ชอบอะไรที่ไม่มีสตินั่นแหละมนุษย์เนี่ยยิ่งไม่มีสติเท่าไหร่ยิ่งจมเข้าไปในอารมณ์เท่าไหร่มันก็ชอบแบบนั้นมันจะให้รู้ตื่นเพื่อจะออกจาก อัตราตัวตนเนี่มันไม่อยากออกรอกแล้วจิตโงโงๆมันก็ไม่ได้อยากคิดอยากจะฝืนเพราะว่าชีวิตนี่มันเหมือนถูกยึดเอาไว้แล้วกายยนานครเนี่ยมันถูกยึดจิดเนศเขายึดพื้นที่ไปหมดนะ่ะสีลนสมาธิปัญญาในการที่จะพัฒนาชำละละ้างจิตใจเรีวเฝ้า รักษาเวณยามอะไรนะสะติสมาธิเฮริโอตบตัิเขาไม่ได้ทำงานและในใจเรานั่นหลับก็ไม่อายง่วงก็ไม่ได้สนนะขี้เกียจเบื่อหน่ายอะไรต่าง่าเนี่ยคุณธรรมมันไม่ได้ทำงานนะคนไหนมาปฏิบัตทิทามองดูตัวตนความคิดความยึดมันเยอะ ดูแล้วถ้าทำความเพียนน้อยก็รู้สึกว่าเป็นนีนะสงสารมันออกยากแต่ในขณะเดียวกันมันก็ป้องกันตัวเองมันกิเลสคือมันชอบอันนั้นแล้วมก็พยายามหาวิธีการที่จะให้อันนี้มันอยู่ในใจมันไม่อยากให้ออกนั้นต้องศึกษาให้ดีดูให้ดีมีไหมสติถ้าไม่มีสติตัวระลึกรู้ปฏิบัติอะไรก็ตาม เขาให้ระลึกรู้กายระลึกรู้กับจิตระลึกรู้นี่แปลว่าเฝ้าดูและสังเกตนะสิ่งที่มันเกิดมันดับอยู่กับกายกับจิตเนี่ยความคิดความปรุงแต่งแต่เราทั้งหลายเนี่ยชอบที่จะอยู่นั่งหลับให้มันเฉยเฉยพวกเฉยเฉยเนี่ยพวกติดอารมณ์ง่ายเวลาเขาพูดอะไรแล้วโกรธจัดหงุดหิด กวนก歪วัยพอแล้วพอมันมันเฉยเฉยอยู่สติมันไม่รู้ปรากฏการณ์ของความคิดของความ โ, โลกรธลบลงมันเกิดยังไงมันไม่เคยดูแล้วเคยสลัดไม่เคยสลัดขคจัดออกเป็นเป็นคนง่วงจัดเหงาจัดแต่ก็อดทนเอาเฉยเฉยจไม่มีสติเป็นคนอัตตาสูงบางทีเนี่ย ลองดูดิลองสังเกตดิที่ทําใจดิเป็นกลางๆดีแล้ววัดดูดิว่าเรามาวัดมาวัดมาวัดเนี่ยไปวัดเนี่ยคือมองวัดตัวเองว่าคุณธรรมตัวเองมีมากน้อยแค่ไหนสติมีมากแค่ไหนสมาธิมีมากแค่ไหนปัญญามีมากแค่ไหนความไม่ทุกข์มันมากแค่ไหนความหลงมันมีน้อยมีมากแค่ไหนเนี่ยวัดดูแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเอาอะไรมาวัดเอาคุณธรรมมาวัด ถ้ามันน้อยเราก็สั่งสมปลูกฝังขึ้นมามีสติถ้าสติมันมีนะสติของคุณเองเนี่ยถ้ามันมนะีคือมันโตขึ้ น, โ ต, นโตขึ้นหน่อยมันจะทำหน้าที่เป็นธรรมวิจัยใหม่ๆระลึกรู้ฟังเอาดีๆคนที่ยังไม่เข้าใจ ใหม่ๆสตินี่คือการเลลึกรู้ถ้ามันพัฒนามากขึ้นสติมันมากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดทำรรวิจัยทำวิจัยคือสติที่มันมีเลื่ลึกรู้มากแล้วมันจะสังเกตปรากฏการณ์ของกายกับจิตอย่างที่เขาว่ามันจะเกิดการรู้รูปนามเนี่ยรู้เวทนาหรือรู้จิตตาจิตคิดไม่คิดปรุงแต่ง เกิดดับยังไงไมันจะเห็นน่ะนะคือสติมันโตขึ้นแต่ไม่ได้หมายว่าเวลาฝึกสติแล้วมันจะนิ่งสงบไปเข้าไปอยู่ในความหลับความไหลซะนี่ไม่ใช่อันนั้นวิธีการของพุทธศาสนาอนะ่ะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นคนไหนที่ไม่เข้าใจไปฟังใหม่ดีไหม่แล้วเอาไปทําใหม่มีสติถ้ามันมากขึ้นมันโตขึ้นนะ่ะ เมืเ่อเราจุดตะเกียงที่แรกจุดไฟจบมีไฟและสว่างเล่น้อยนะถ้ามันมากขึ้นก็คือมันจุดตะเกียงไปได้เริ่มส่องสว่างเริ่มเห็นนั่นเห็นนี่ขึ้นมาเนะจ้า ก, ก็ต้องพัฒนามันเป็นไฟคือมันสว่างขึ้นในใจเรานะ่ะไม่ได้หมายว่ามีสมาธิแล้วหลับไปง่วงไปอยู่กับความสงบความอะไนั่นแบบพรามมันน่ะสมาธิแบบพราม คุณจะชอบแบบนั้นก็เป็นเรื่องของคุณแต่เชื่อเธอชาตินี้ไม่อาจจะเห็นแจ้งได้ธรรมะนี่จะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะถูกทางเกิดปัญญาไม่ถูกทางโ ง, ง่งง่ายเสียเว ล, เวลานะเพอมีธรรมะวิจัยเกิดขึ้นเยอะๆมันก็จะสังเกตละ่ะง่วงมาจากไหนคือมีสติปุ๊บมันจะดูทันทีว่าทุกข์คืออะไร ทุกสมุทัยในรสมรึกเนี่ยแล้วฝึกสตินี่ฝึกตัวรู้ฝึกตานั่นเองพอมีดวงตาเกิดขึ้นมันก็เห็นน่ะทุกข์คืออะไรเหตุเกิดทุกข์มันคืออะไรมันก็เข้าสู่หลักของอริยสัจทนันทีเลยดูตัวเองบ้างไหมแต่ละวันใน ง, ง่วงคิดฟุ้งซ่านงูนิจเนี่ยเกิดขึ้นยังไงอ่ะสติมาเห็นบ้างไหมเพราะมันคิดแบบมีอัตตาตัวตนใช่ไหม ความทุกข์จึงเกิดขึ้นนะเพราะมันมีความรักความจังความยึดความถูกความผิดใช่ไหมความชอบความไม่ชอบตัวกูของกูมีมากใช่ไหมมันถึงเป็นแบบนั้นนั่นก็แสดงว่าคุณธรรมในอริยมรรตตัวแรกของคุณเนะ่แค่คำว่าสำมาติทิคิดเห็นถูกเนี่ย ม, มันก็ไม่เป็นแล้วคิดตรงๆงเห็นตรงตรง เ, เฉยๆมันไม่เป็นแล้วนะ มันไม่ได้เป็นเพียงรูปเพียงนามมันมีแต่อัตตาตัวตนมันไม่มีเป็นมิจฉาทิฏฐิปรากฏเกิดขึ้นเราจึงพยายามที่จะมารู้สึกตัวให้รู้สึกเฉยๆดูเฉยๆเห็นเฉยๆและให้เกิดการสังเกตว่าอัตตาตัวตนพวกนี้มันเกิดมาจากอะไรความคิดความปรุงแต่งเกิดมาจากไหนนี่เขาเรียกว่าธรรมวิจัย ทรมาวิจัยคือการมาดูพอมีสติแล้วก็คือมาดูรูปดูนามนั่นเองโกรธเกิดขึ้นได้ยังไงงุดหงิดมาจากอะไรนิวรธรรมทั้งหลายทั้งปวงแต่ละตัวเนี่ยมันเกิดมันดับนี่ยจุดเกิดจุดดับมันเป็นยังไงไอ้ที่เราฟุ้งซ่านทุกวันแล้วมันไม่ยอมลงเป็นสมาธิให้สติจิตได้เป็นสมาธิเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรบางคนยังไม่เห็นตัวเองเลยนะ จิตมันไม่ยอมรับเลยนะว่ามันทำไม่ได้ทำไม่เป็นเนี่ยฝึกสติไม่เป็นเนี่ยยังมีชอบแบบนั้นชอบแบบนี้ยังมีว่านี่คือการมาทดลองดูนินดๆหน่อยๆประมาณนั้นนะคือโม่ตะเลยกลางค่มมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อ ย, อยตัวตนมันเยอะไงนะมันทำไม่เป็นเอาทิ้งความคิดก็ไม่เป็นกับเขา เขามาฝึกทิ้งความคิดมันยังไม่รู้เลยว่าทุกข์คืออะไรเข้ารหัสของอริยรรสัจสี่รู้คำ ว, ว่าทุกข์คืออะไรเนี่ยยังทาไม่เป็นเลยดูไม่เป็นเลยปล่อยวางไม่เป็นเลยเราทุกข์มากไงเราเยึดมากเราหลงมากคุณจะปฏิบัติต่อหรือไม่ปฏิบัติต่อก็ตาม ความทุกข์มันไม่ปราณีปาศัยใครเนี่ยความคิดความปรุงแต่งเนี่ยถ้าเราอยู่กับความหลงเข้าไปในความคิดอยู่บ่อยๆทุกข์มันก็เหยียบย่ำอยู่ดีพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาสอนความจริงความจริงของชีวิตให้ว่าชีวิตที่ไม่มีอัตตามันเป็นยังไงชีวิตที่เป็นทุกข์เป็นยังไงชีวิตที่เกิดติดอยู่ในความปรุงแต่งเนี่ย ความสำคัญหมายความหลงโลกมันเป็นยังไงอชีวิตที่ปล่อยวางชีวิตที่เข้าใจสภาพทำตามธรรมชาติตามธรรมดาตามหลักของสติตามหลักของมรรคของโพชฌงมมันเป็นยังไงที่เข้าใจตามเส้นทางอริยมรรคเนี่ยถ้าเดินมาทางนี้มันไม่ทุกข์ถ้าจมอยู่กับความคิดมันเป็นทุกข์ นั้นเราเดินโจกรมเราทําความผิดแล้วเห็นว่ามันทุกข์อะความคิดเนี่ยคือเห็นแค่เนี้ยเห็นความคิดมันเป็นทุกข์เขาก็ปล่อยวางเมื่อเรียนรู้วิธีปล่อยวางความคิดมาปล่อยวางความปรุงแต่งนั้นเีงแต่ถ้าเรามาปฏิบัติตามแล้วเราปล่อยวางไม่เป็นคุณธรรมในจิตเราเนี่ยมันไม่มีพอขนาดฝึกเจ็ดวันเนี่ยศักยภาพยังดึงขึ้นมาไม่ได้ดึงจิตตัวเองเนี่ย ยังไม่หลุดรอดถูกกิเลสตัณหาราคามันลากอัตตาตัวตนมันเบียบย่ำเอาไว้ไม่สามารถที่จะตื่นขึ้ น, นมางอกเงยขึ้นมาได้เลยเนี่ยใจเรานี่เราดูแลเราพิจารณาดีๆขนาดเอาจริงเอาจังฝึกฝนขนาดนี้ยังได้ขนาดนี้หรือมันยังไม่เอาจริงเอาจังหรืออะไรอไปเรียนรู้มันชีวิตเนี่ย คุเกิดมาโตขนาดเนี้ยอายุมากขนาดนี้เรียนรู้มาบานจนป่านนี้แล้วยังไม่มีวิแววว่าจะออกจากความคิดอัตราตัวตวนึงเปลียนเนี่ยอันตรายนะคุณจะไปปฏิบัติที่ไหนสำนักใดเลยสำนักไหนที่เขาไม่ให้ออกจากความคิดเนี่ยมีไหมสำนักไหนที่ให้อยู่มัวเมาอยู่กับอัตราตัวตนกับความคิดความปรุงแต่งเนี่ย มันไม่มีหรอกถ้ามีก็ไม่ใช่คำสอนของพุทธเจ้าละทีนี้ออกมาแล้วจะออกมาอยู่กับสมาธิเหรอถ้ามาอยู่สมาธิก็ไม่ใช่คำสอนพุทธเจ้าอีกละชอบสงบชอบสบายมันไม่ใช่สติไม่ใช่ธรรมวิจัยสติเกิดขึ้นก็จะเห็นความคิดเห็นความปรุงแต่งเห็นทุกข์ที่เกิดจากกายเนี่ยมันเป็นเพราะอะไร ทุกโขตินนาทุกขาเปรตตาเป็นผู้มีความทุกขอย่างเอาแล้วถ้ายึดติดก็มีความทุกเป็นเบื้องหน้าแล้วจิตได้เห็นเห็นว่าความคิดมันมันบีบคั้นจิตใจเรามันเป็นทุกข์วิธีนี้เขาถือว่าทำให้ง่ายที่สุดละ่ะ ปฏิบัติทำแล้วเขาค่อยไปแล้วถ้าคุณจะยืนเดินนั่งนอนคุณอยากเดินก็ได้อยากนั่งก็ได้คุณอยากทำอะไรก็ได้แต่ว่าคุณเอาความคิดออกจากจิตคุณให้เป็นคุณต้องมีสติเลยเรื่องรู้เฝ้าดูจนกร่งว่าเห็นธรรมชาติของการยึดติดเกิดดับยังไงเนี่ยให้มันเห็นชัดดูจนั่ว่าใจเนี่ยมันตื่นตื่นจากทุกข์อันนั้น ตื่นยกเท่าว่่เป็นพยาตูปฐานญยานนั่ย น, นะเป็นวิพิธายานเ น, นนะ่แล้วเกิดปัญญาเห็นสัมมนญาณ น, นี่ย น, นะเห็นไตลรลักษณ์มันปรากฏอ๋อมันเป็นอย่างนี้เอง เ, องเนอ ะ, ออนอะกฎของชีวิตเนี่ยเน่เขาให้ไปดูยืนเดินนั่งนอนแล้วแต่แต่เพราะอะไรเพราะเรานั่งไม่ได้นั่งแล้วก็หลับไงขนาดคุณเดินจงกรมเนี่ยคุณยังหลับตลอด นะแล้วคุณก็ชอบที่จะนั่งดูอะไรไประมาณเนี้ยมันชอบเพราะว่ามันมันออกไม่ได้ก็คือต้องจมอยู่ดีออกไม่ได้คือยอมสิโรลาบจมลงไปในความง่วงความเหงาซะเพราะมันทำไม่ได้ไงต้องยอมรับว่ามันทำไม่ได้ทำไม่ได้แล้วฝืนไปทําต่อเนื่องไปฝึกสตินี่นะ ปฏิบัติธรรมถ้าจะดับทุกเนี่ยอย่าเลี้ยงไข้ถ้าเลี้ยงไข้มันโตขึ้นนั้นเชื้อมันอลาวานละตายพอดีคุณจะเลี้ยงอารมณ์ไปเรื่อยๆเรื่อ ย, อยมันจะยากชีวิตที่ไม่รู้จะดับทุกเป็นของเขาหรือเปล่านะแต่ถ้าเราตั้งใจที่จะดูศึกษาเรื่อเรียนรู้เนี่ยมันทําได้เลยนะมันอยู่ที่จิตเดียเนี่ยความเพียร น, นั่นถือว่ามากหรือย่างมากแล้วล่ะแต่ว่าจิตน่ยวางไม่เป็น วางจิตเนี่ยมันไม่เป็นปกติถ้าเราทำความเพียรมากขนาดนี้ถ้าวางจิตเป็นมันทะลุไปได้เยอะแล้วละ่ะแต่นี้วางใจไม่เป็นเพราะวางใจไม่เป็นและทุก ด, ดันโทษรูปแบบบางทีนี้มันไม่ถูกจริตถูกนิสัยอะไรมรูปแบบนี่มันข้างนอกเขาจะใส่ถ้วยหรือใส่กระมัง ใส่กระโถนใส่แล้รว้ให้กินเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับอาหารที่มาเลยไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่จะให้กินเลยทยุกอย่างเนี่ยมันเป็นภายชนะของเราเองทั้งนั้นเนี่ะสติที่เรามีเนี่ยเขาให้ระ ล, ลึกรู้อยู่กับกายกับใจเนี่ยไม่ได้โทษว่าสร้างจังหวะสกปรกลมหายใจสะอาดหลับตาอะไรมไม่เกี่ยว มันเกี่ยวที่คุณวางไม่เป็นคุณกินสติไม่เป็นคุณระลึกรู้ไม่เป็นนะคุณปล่อยวางไม่เป็นอาหารเขาดีแต่เราโทษที่ถ้วยไม่สวยงามนัม่นเป็นความคิดที่ผิดเนี่ยในหลายคนนะกินดื่มเขาไปอา้าวมันจเจริญเติบโตนะ ท่านพอเห็นบ่อยๆความคิดมันปรากฏขึ้นความปรุงแต่งความยึดติดในกายเกิดขึ้นมากๆจิตถ้าเขาเห็นนะเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยสติที่เราฝึกฝนเนี่ยมันก็เกิดการปล่อยวางปล่อยวางความยึดติดเนี่ยนะปล่อยวางความยึดติดมันก็เหลือแต่ความรู้ตัวลุ้นล้วนโอ้รู้มันมีหน้าที่รู้มันไม่ได้ยึดติด มันชำละล้างออกไปใจมันก็เตือนแต่ถ้าเห็นแล้วมันไม่ลดคุณก็ต้องมีวิริยะวิริยะสำโพธชงไงนะต้องทำให้ต่อเนื่องวิริยะเนี่ยขยันทำสติเห็นแล้วธรรมะสติระ ล, ลึกรู้ได้แล้วระ ล, ลึกรู้อยู่กับกายกับจิตแล้วธรรมะวิจัยก็คือเริ่มเห็นแล้วเห็นแล้วว่ามันทุกข์เพราะอะไร มันไม่ทุกเพราะอะไรเพราะมีสติที่แรกๆเนี่ยยกมือเอามันก็ไม่ทุกนะแต่พอคุณจะเอาจะมีจะเป็นคุณทุกทันทีหรือคุณไม่เอาไม่มีไม่เป็นแต่ว่าคุณเข้าไปติดอยู่ในอารมณ์เนี่ยคุณทุกทันทีแหะความรู้ความเข้าใจตื้นๆแค่นี้มองไม่ออกเนี่ยยากจะหาความวิเศษวิโสอะไรในจิตเนี่ยมันไม่มีให้ทอเห็นพอเข้าใจ โอ้จิตมันก็ตื่นน่ะตื่นในระดับหนึ่งโอ้มันติดมันจมอย่างนี้เนะาะก็เกิดวิริยะอย่างว่าเนี่ยขยันตั้งใจทําให้มันต่อเนื่องพอต่อเนื่องมากขึ้นนี้ยเขาเรียกออกจากความคิดนี่แหละเขาเรียกว่าออกจากทุกข์ออกจากความวง่วงความเหงาออกจากนิวรธรรมออกจากสังโยชน์อสวะอนุใสทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจากนิวรเนี่ย ทีแรกๆเราก็แก้ปัจจุบันเนี่ยกามเกิดจากอะไรง่วงเกิดมาจากอะไรเราเห็นมันแล้วก็ตัดได้ตัดได้ตัดได้ในน้อยแต่ลงลึกดูเหตุว่าที่มันมาได้ยังไงมันเริ่มยังไงมันมาอย่างไงมันทําไมมันถึ่งไม่ออกสัทีเนี่ยเขาก็แสดงวเขาเริ่มเริ่มดูอนุใสในมันน่ะข้างนอกนี่ตัดได้แล้วแต่นิสัยอุปนิสัยที่มันสร้างสะสมมามันคืออะไร สตินี่ก็จะเป็นแบบนั้นเขาเรียกว่าทำมาวิจัยเริ่มหาหาแล้วก็ขยันทำรรขยันขุดขยันคน้นไม่ใช่ไปอยู่กับความคิดนะไม่ใช่อยู่กับความง่วงความเหงานะสติเราเนี่ยปัญญาเราเนี่ยเจ็ดวันนะทำเนี่ยมันยังไม่ดีขนาดนี้มันยังไม่อยู่เลยอ่ะ นี่ขนาดบังคับบังคับแบบไหนบังคับในรูปแบบถ้าให้ไปทำเาเองตายพอดีอันนี้ยังอาศัยการมีกัลยาณมิตรอยู่อยู่ใกล้กันคนนั้นเขาก็ทำคนนี้เขาก็ทำเราเห็นคนนั้นทำเพื่อให้เกิดความละอายมีคุณธรรมขึ้นบ้างในใจเนี่ยดูคนอื่นทาคนอื่นเขาปฏิบัติได้ตัวเล็กเก่าก็มีตัวโตกว่าเราก็มี แก่กว่าเราก็มีหนุ่มกว่าเราก็มีสุขภาพร่างกายไม่ดีกว่าเราก็มีดีกว่าเราก็มีอ่ะทำไมเขาทำได้แล้วทำไมเราทำไม่ได้ตัวตนใช่ไหมมันยังไม่รู้ใช่ไหมความเพียรมันไม่พอใช่ไหมพระพุทธเจ้าว่าบรรลุธรรมเจ็ดวันเนี่ยสามารถเข้าถึงบรรลุธรรมแต่ของเราเลแค่ออกจากความคิดให้มีสตินหน่อยๆก็ยังทำไม่เป็น ยังไม่รู้เลยไปทางไหนมาทางไหนเนี่ยไม่รู้เขาฝึกสติเพื่ออะไรไอ้ยกมือสร้างจังหวะเดินจงกลมเนี่ยกําหนดรู้เนี่ยเขาให้กําหนดรู้เนี่ยกําหนดรู้ทำใหมอะไรยังไงเนี่ยมันยังไม่มีความคิดเลยว่ามันเห็นอะไรกับเขาบ้างเนี่ยปัญญามันไม่ได้เกิดเลยหนาขนาดนั้นเนี่ยแล้วจะออกเป็นหลือชีวิตเนี่ยแล้วคุณพอใจกับชีวิตงโง่ๆแบบนั้นเหรอ คนก็ทําให้ดูมาเยอะแล้วล่ะน่ะทั้งโลกเนี่ยเป็นแบบนั้นมาโจาทั้งมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแล้วพรพุทธเจ้าก็บอกว่า น, นี่คือทุกข์แล้วท่านก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์ท่านก็ออกจากทุกข์ได้ท่านว่าเดินมาทางนี้ดิถ้าเดินทางนั้นจมนะถ้าเราสลัดได้ปล่อยวางได้คือเห็นนะ่าทำได้วิริยะแปลว่าทําขยันทํา ทำอย่างจริงจังพอทำได้มันเหมือนได้รับชัยชนะในะในการปล่อยวางมันก็จะเกิดปีติปีติความเอิบอิ่มซาบซ่านปรากฏกขึ้นที่เกิดจากการทิ้งความคิดปล่อยวางได้นี่มันหลุดออกไปจากใจเคยเห็นไหมเมื่อเขาจุดไฟก่อไฟแต่แล้วเขาเทน้าใส่นี่ถ้ามันดับได้มันจะเป็นยังไงอาการมัน เป็นยังไงเวลาเขาเทนะว่าพุ่นมานะควันมันกระแทกขึ้นมาแบบนั้นนะในเวลาเทน้ําใส่ไฟมันดับมันก็เป็นแบบนั้นแหละนั้นความคิดคุณดับเนี่ยมันก็จะฟุ่งขึ้นมาแบบนั้นละไอเย็นมันจะปรากฏเกิดขึ้นมันเป็นธรรมชาติแต่เราทำแล้วมันไม่เป็นมันไม่เห็นมันไม่มีมันมีแต่อร้อนมีแต่ไอของความคิดนั่นแหละพุ่งขึ้นมาเนี่ยความง่วงก็ดับไม่เป็น ง่วงทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีจิตติดอยู่แต่กับความคิดตลอดเวลามันเวลาที่เสียไปเนี่ยมันไม่คุ้มค่ากับการที่เราเสียเวลาเนี่ยเขาไปหาเหตุเขายังได้เหตุเลยหาเงินเขายังได้เงินเลยมาหาตัวเองนี่ยังไม่เห็นตัวเองบางทียิ่งมืดหนักก็ไปอีกพอมีปีติเ อ, อือิมทราบซ่าน นี่คือลักษณะของการที่จะสร้างความสภาวะของความสงบความสันติเกิดขึ้นในจิตนันเนี่ยเริ่มที่การจับสติเกิดสติสังเกตเห็นเป็นธรรมวิจัยแล้วก็เกิดวิริยะก็เกิดปิติขยันทําแล้วกเกิดปิติทิ้งได้นะนะมันเป็นความสงบที่เกิดจากการทิ้งได้การปล่อยได้การวางได้การเห็นแจ้งก็เกิดปิติเห็นแจ้งน้อยนอยตั้งแต่ตั้งแต่สตินั่นแหละมา มีวิริยะมีปีติแล้วมันก็จะมีความเยือกเย็นลงไปเรื่อยๆเป็นปัจสธิเป็นความสงบสงบภายในเนี่ยทีแรกสงบด้วยอํานาจสมาธิธรรมดาเป็นปัสสถานะความสงบเกิดปีติอื้ออิ่มใจเพราะเกิดการเสวยสุขด้วยนา ม, มกาย คือใจเราได้รับความสุขความเอิบอิ่มที่เกิดจากการปล่อยวางแล้วมันก็เกิดความรู้สึกความต่างของจิตที่เกิดความสุขเกิดจากอามิรไม่มีอามิดสุขที่เกิดจากรูปรสกลิ่นเสียงกับสุขที่เกิดจากการปล่อยวางมันต่างกันยังไงอ่ะสุขที่เกิดจากอามิดมันอันตรายยังไง มีความสุขไหมมีนะสุขแบบไหนอ่ะสุขกับเพลิดเพลินกับสิ่งที่ยั่ว ย, ยอมจิตซึ่งย้อมแล้วเดี๋ยวมันกระจ่างย้อมแล้วมันกระจ่างก็ย้อมยอมอยู่เรื่อยนะย้อมไปย้อมมาจิตมันเกิดความยึดติดนะยึดติดในรูปรสกลิ่นเสียงแต่นั่นขันเดียวกัน ถ้าเป็นอันเก่ามันไม่เอาอ่ะอย่างเรากินข้าวเคยเห็นไหมกินข้าวกินข้าวคำเนี้ยอร่อยอาหารเท่ากันรสเท่ากันกินครั้งที่สองมันจะเป็นยังไงวันพรุ่งนี้มา ก, กินอีกเป็นยังไงมันอร่อยไว้มันไม่อร่อยนั่นคือละะักษณะของตัณหาละมันจะมีความทยานอยากยิ่งขึ้นไปเห็นอันนี้วันนี้เป็นอย่างนี้สวยงามดีแบบ น, นี้วันพรุ่งนี้ดูอีกเป็นยังไงเดือนต่อไปเป็นยังไง เหมือนข้องวขวัญที่เขาส่งมาให้เราคนที่เรารักนะ่ะดูวันแรกสวยงามมาเปิดอีดูนี่สักร้อยครั้งเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจืดลงเรื่อยๆฉะนั้นจิตนี้ก็จะเกิดความทยานอยากขึ้นไปแบบเนี้ยจิตที่มันติดความยืดติดความสนุกสนานความพอใจความสุขที่อยู่กับอามิตมีลักษณะแบบนั้นทะนันคุณก็ต้องสแสวงหาทยานอยากรูปรสกลิ่นเสียงที่มี อะไรที่แปลกประหลาดขึ้นไปเรื่อยๆกวิธีการหนึ่งคือสําลอกเอาเรื่องความยึดติดแบบนี้ออกไปจากจิตเสียไม่มันมีในจิตแล้วเราก็ไม่ต้องวิ่งตามกระแสที่มันบีบบังคับเราไม่ดีกว่าเลยสตินี่มันเหมือนยาที่เรากินผิดมาชีวิตนี่มันหลงผิดมาหงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตรง ขันธ์ห้าไปยึดติดขันธ์ห้าไปมีอุปทานในขันธ์ห้าอุปทานในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอุปทานในกิเลสตัณหาอุปทานกรรมมันยึดติดน่ะกินสติเข้าไปเลยลึกรู้อยู่ตลอดเวลามันเหมือนยาปานมัตปานามั ต, ปมตแปลว่าว่างอะ กินแบ บ, บว่างๆกินแบบไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่เราบอกว่าของกินเวลาว่างถ้าเราเข้าใจมันก็ปล่อยวางได้ทุกข์มันก็ไม่มีไม่มีเพราะอะไรเพราะเราเข้าใจมันโอ้มันเป็นอย่างนี้เนาะเห็นมันมันมีมากขึ้นมากขึ้นสมาธิมันก็ เจริญเติบโตตัวปฏิสัตย์นั่นแหละมันจะเยือกเย็นลงไปแล้วก็เริ่มเห็นเห็นว่าเออมันเกิดจากการปรุงแต่งนะนี่เป็นอา m ิต h นั่นที่มันผุดขึ้นมาในใจเนี่ยมันติดนะต้องมีสิ่งมายั่วยอมอ ม, มองเมามันถึงจะมีความสุขอ้าวสิยั่วยอมมองเมาก็ไม่เที่ยงอ่ะทุกอย่างนี่ไ อ, อความสุขความทุกเนี่ยมันเกิดจากความปรุงแต่งที่เกิดขึ้นจากจิตมันเป็นสังขาร น, นะเนี่ยสังขาร ชอบปรุงแต่งให้จิตแล้วจิตมันมีตัวยึดตัวถือเอออะไรอ่ะยึดถือนี่มันมาจากไหนน่ะตามสืบข้นลงไปดี ue, เฝ้าดูดีกานดูบ่อยๆดูบ่อยๆดูดดปรุงแต่งบ่อยๆเห็นบ่อยๆเนี่ยเป็นสังขานุปัสนาเป็นความรู้ความเข้าใจที่เกิดจากกันตามดูการปรุงแต่งปรุงแต่งที่เข้ามานี่เห็นแต่ว่าทัศสติ มันไม่เห็นโดยธรรมชาติเห็นโดยธรรมดาเขามันเขาไม่เรียกว่าญาณเห็นแล้วเกิดการปล่อยวางเห็นแล้วเกิดความรู้สึกต่างเก่าล่วงภาวะเดิมเน่ยจึงจะเรียกว่าเป็นยญาณที่เป็นวิปัสนาแต่ถ้าเห็นแล้วจิตก็ไม่ได้ตื่นอะไรไม่ได้เบิกบานไม่ได้อะไรเลยเนี่ยทีนี้ว่ามันเป็นสัญชาตญาณเป็นญาณเหมือนกันแต่เป็นสัญชาตญาณมีผลอะไรกับชีวิตไม่มี มิจจะจมเข้าไปเรื่อยฉั้นพอเห็นอันนี้มันเกิดการขยะขยแยงโอ้มันทุกข์แบบนี้เนาะเห็นความต่างว่าจิตที่มันเป็นปัสสถานิมันสงบเอย่างเป็นอย่างนี้มันก็จะพอกพูนผู้ใดเห็นธรรมมาเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งนเงนันคลอนแคลนเขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้ถ้าจะพอกพูนมากขึ้นมากขึ้นก็กลายเป็นสมาธิ ทีนี้สมาธิเนี่ยมันจะมีอำนาจในการผลักการต่อต้านการดูการเห็นการปล่อยวางไอ้ตัวที่ผัสสะทางรูปรสกลิ่นเสียงในชีวิตประจำวันเลยทีเนี้ยยืนเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนสมาธิมันมีกับตัวเราเองเพราะมันพัฒนามาตั้งแต่สติมีเต่ธรรมวิจัยมาละปีติปัสสิสมาธิขึ้นมาแล้ว อันพอมันเห็นตามความเป็นจริงมันก็เกิดวิปัสนาญาณเกิดภาวะจำแจ้งขึ้นมามันก็อยู่เองโดยธรรมชาติเขาถึงเรียกว่ามันเป็นอุเบกขาไงอุเบกขาคือมันเฉยแล้วที่แรกก็เป็นสังขารูปเปรขยันเฉยกับการปรุงแต่งเป็นแล้วทีนี้มันไม่ปรุงไม่แต่งแล้วมันมามันก็ดับได้แล้วมันเฉย เพราะมันเห็นโทษไงไม่ใช่เฉยเพราะกดเอาไว้เฉยเพราะไม่สนใจอย่างเราเฉยกับความง่วงเนี่ยอย่างความง่วงมาเฉยเพราะเราเข้าใจเราเห็นแจ้งมันแล้วมันเข้าใจแล้วมันจึงไม่มีเฉยกับความปรุงแต่งเนี่ยทั้งที่ลืมตาอยู่ดูอยู่เห็นอยู่เนี่ยแต่มันก็เฉยได้เพราะอะไรเพราะมันรู้ความลับมันแล้วเราเข้าใจมันแล้วที่มันปรุงแต่งเพราะอะไร มันยึติดเพราะอะไรมันทำให้เราเป็นทุกข์นี่เพราะอะไรมันเห็นไว้แล้วมันก็ไม่มาไอ้ที่ไม่มามันเฉยไปนี่เพราะมันเป็นเรื่องของปัญญาที่เจริญตามกระบวนการการพัฒนามาโดยลําดับไงสัมมาทิฏฐินี่มันโตเต็มที่เลยมันทุกข์มันก็ไม่ทำร้ายเราไม่ใช่เราจะไปจมอยู่กับหลับกับตื่นจมอยู่กับความคิดจมอยู่กับเอ้ยชอบรูปแบบนั้นชอบรูปแบบนี้ไม่ใช่ สตินี่คือความระลึกรู้เมื่อไรที่ปฏิบัติธรรมเรากําหนดรู้ได้มันอยู่กับตัวเองเป็นสติแบบปรมัตธรรมได้นั่นแหละคุณมีสติจริงๆแต่ถ้าคุณยังไม่ได้สตินั้นเราจะมีแต่ความคิดความเห็นตามแบบสัญชาตญาณความพอใจไม่พอใจพอใจครูบาอาจารย์นองนั้นพอใจคนนี้สอนพอใจอะไรเนี่ย แต่ว่ามันยังไม่มีตัวสติที่ประดับอยู่ในจิตของเราจริงๆนะมันยังไม่มีอันนั้นทำวัดสวดมนนะ่ะเราได้ยินไหมคําว่าสวาขาตะธรรมสวากขาโตปควาตาตโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัญิโกปัจตังเวธิโตโพวินยุหิธรรมะของวิญยูชน คือผู้รู้แจ้งแล้วเนี่ยผู้เข้าใจแล้วผู้มีสติแล้วเนี่ยหนึ่งมันจะรู้เองเห็นเองไม่มีรูปแบบเดินไปเดินมามันเห็นเองอยู่ข้างในมันเกิดมันดับยังไงมันปรุงแต่งไงมันเห็นเองน่ความคิดเกิดขึ้นเห็นเองเดินไปเดินมาสติมันรู้เองนั่นแหละ สวาขาธรรมธ ร, รมะของพระพุทธเจ้าหรือธรรมะของท่านผู้รู้ผู้ที่รู้แล้วเนี่ยวินยูวินยูหิเนี่ยผู้ที่รู้แล้วเนี่ยหนึจะมีสภาวะธรรมที่รู้เองเห็นเองปรากฏเกิดขึ้นอยู่ภายในถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยที่ว่าเนี่ยผู้ที่เข้าถึงธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าสันิติโกเห็นเองรู้เองเห็นเองมันเป็นเองเลยเนี่ย อากาลิโกไม่เลือกเวลาไหนเช้าเย็นตื่นนอนเลยมันเป็นอย่างนั้นของมันนี่ผู้รู้มันจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่รู้เรายังหลงอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่วินยูหิไม่ใช่เป็นวินยูชนเอหิปัสสิโกเอหิปัสสิโกเป็นธรรมะที่ควรเรียกให มาดูมันไม่ได้ไหมายว่าไปเชิญคนนั้นมาดูไปเชิญคนนี้ไม่รู้ไม่ใช่สภาวะธรรมที่เรารู้เราเห็นเนี่ยความปกติใน ใ, นใจเนี่ยจิตมันจะอยากดูบ่อยๆมันมีความความรู้สึกว่ามันต้องดูอะมันเป็นสภาวะที่ประหลาดเป็นสภาวะที่มหัสจัลรู้ตื่นเบิกบานนี่เพราะมันมีนี่มันอยากเห็นอยู่อย่างเนี้ยมันอยากอยู่อย่างนี้อยากดูอย่างนี้ อย่ามีการพอกพูณมากขึ้ น, นเรื่อยๆรู้เห็นบ่อยๆแล้วมันเป็นแบบนั้นสันทิฏิโกอากาลิโกไม่เลือกการเวลาแล้วก็พยายามใส่ใจดูบ่อยๆเป็นเอหิปัสสิโกโอปัญายิโกอะไรเกิดขึ้นกับ น, น้อมเข้ามาที่จิตมโนปุพังขมาธรรมาทุกอย่างเกิดที่ใจะดับก็ดับที่ใจมีปัญหายัางไงมองที่ใจดูที่ใจและลึกรู้ที่ใจเห็นที่ใจ ดับที่ใจปัจจิตังเป็นสภาวะที่เกิดเองตลอดเวลานะปัจจะตังเกิดเองในใจเนี่ยเป็นปัจจะตังรู้ได้เฉพาะตนอย่างที่เราแปละนะเวลาเราทำมันก็เกิดสภาวะอันนี้ขึ้นมามันมีอยู่ภายในเนี่ยมันรู้เฉพาะเรื่องเฉพาะอันเฉพาะครั้ง อะไรเกิดขึ้นก็รู้อันนั้นอะไรเกิดขึ้นก็รู้อันนั้นรู้แล้วก็ดับรู้แล้วก็ดับเกิดดับโดยธรรมชาติอะไรเกิดอะไรดับทีแรกก็เห็นแต่มันดับต่อมาก็จะเริ่มเห็นมันเกิดด้วยมันดับด้วยถ้ารู้แจ้งถึงที่สุดมันก็เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรเกิดและก็ไม่มีอะไรดับเป็นธรรมชาติล้วน อยู่ภายในเนี่ยมันไม่มีเกิดแล้วคือมันไม่มีความคิดมาเกิดแล้วไม่มีอัตตาตัวตนมาเกิดอีกแล้วเวลาเราพูดเราคุยเราอะไรต่างๆเนี่ยเรารู้ทันทีว่าเราพูดด้วยอารมณ์อารมณ์แทรกเข้ามาไหมเราดูเนี่ยมันมีไม่มีตัวอย่างตัวโลภกิเลสตนาคะแทรกเข้ามาในการดูไหมในในการดูกันเห็นเราเนี่ยที่เวลาเราได้ยินคนพูดอะไรเนี่ยมันชอบไม่ชอบเนี่ยมันเห็นได้ดีว่ามีอะไรเกิดไหม ถ้าไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานมาเกิดมันมันก็ไม่ีมีอะไรที่ต้องมาดักมันนะเพราะทุกอย่างคำพูดรูปรูปกี่เสียงมามันก็เป็นธรรมชาติของมันมันมาของมันมันก็เป็นอย่างนั้นของมันนะนั้นธรรมชาติภาวะอันนี้ก็คือตัวอุเบกขานั่นเองอ่ะมันเป็นธรรมชาติแล้วมันเฉยเองโดยธรรมชาติเป็นแล้วต่อสรรพสิ่งเนี่ย นั้นเราก็เฝ้าดูดูว่าเออ อ, าออย่างเนี้ยมีหรือยังถ้าเรามีอย่างนี้เรียกว่าเป็นสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้แล้วสวากขาตขวัวภควตาธรรโมธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือธรรมะในกลุ่มของผู้ที่จะรู้ตามเห็นตามไปเนึ่งอย่างที่ว่าสันติโกอากาลิโกเอหิปัสโกโอปะณิโ ก, โโกเห็นเองเห็นอยู่ตลอดเวลานะ เดินไปไหนมาไหนมันก็เห็นเห็นเห็นเห็นเห็ น, เ ห, นเห็นอยู่ในใจแล้วเห็นตลอดเวลาไม่เลือกการเวลาอันนี้ตอนเช้าอาจจะดีตอนสายไม่ค่อยดีตอนเย็นอาจจะดีเอา้าถ้านั่งดูอาจจะดีเดินไม่ดียังไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่สว่าขาตธรรม เพราะอะไรเพราะว่าการดูการรู้กันเห็นเราเนี่ยพลังของสติเรามันน้อยเขาปล่อยกระแสไฟมานมาจากโน้นนะจากแหล่งผลิตนั่นแนหะเขาไม่ได้มาตามดูกับเรานะว่าเราใส่หลอดใส่โทรทัศน์ใส่อะไรกนันแต่ก็จะปรากฏอองที้ว่าทาเรื่องแต่เราเป็นคนติดเอาอันเนี้ย เหมือนกันนะ่ะไอความรู้ทางจิตมันจะมีอยู่แล้วเนี่ยเพียงแต่ว่าหลอดไฟหลอดฟืนเนี่ยเรามีอยู่โทรทัศน์มีเครื่องมือกลมีแต่พลังงานมันไม่มีะสติมันไม่มีพอสติคือตัวอะเรลึกรู้เนี่ยมันไม่พอการที่จะเห็นเกิดธรรมวิจัยเกิดปิริยะเกิดปิติเกิดปัจจิมันไม่มี มันไม่พอนั้นมันก็ไหลไปอยู่กับความคิดดังเดิมอยู่กับความปรุงแตง่งอยู่กับความถูกความผิดอยู่กับสมมุติเนี่ยอยู่กับความชอบไม่ชอบอะไรที่ถูกกิเลสจิตของคนที่อ่อนหัดหน่อยมันก็จะทนเวทนาได้นน้อยทนได้นน้อย แต่ถ้าสติมันมากสมาธิมันมากมันอยู่ฐานดูเวทนาเป็นแล้วเวทนาสักว่าเวทนาถ้าทําเป็นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เมื่อห่วงไม่ได้มายุ่งยากกับเรื่องแบบนี้ดูกายดูเวทนาเป็นเนี่ยมันไม่ห่วงมันไม่ไปวักประวงรูปแบบนั้นทรมานรูปแบบนี้นไม่ทรมานอันไหนั้นถูกจิตเดียวปฏิบัติได้ง่ายได้น้อยคือบันผ่านเวทนาไปมันมันจะดูเป็น แต่ถ้าไม่ผ่านนะติดตลอดเวลาลืมตากว้างๆก็เพราะมันโง่แบบนี้ไงมันถึงไม่เป็นให้สักทีเนี่ยเพราะเราไม่รู้จักสังเกตว่าตัวเองเป็นอะไรแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยตัวเองง่วงก็ดูไม่ออกเบื่อก็ดูไม่ออกคือเริ่มต้นก็ไม่มีสติแล้วกําหนดรู้ไม่เป็นแล้วคุณจะโทษวิธีการเหรอ นั่นถูกอันนี้ผิดเหรอไม่เกี่ยวกันนะ่ฉะฉนั้นขอให้มันมีตัวสติอันนี้สติของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่มีอยู่กับรูปแบบนะแต่ที่เขามีรูปแบบให้ทำเนี่ยเพื่ออะไรรูปแบบคือเขาให้ประคองสติเฉยเฉยให้เอาสติมาอยู่กับตัวเองอยู่กับความลองให้ดูตัวเองได้ตลอดวันนะ่ะ นะมันเหมือนตะเกียงเนี่ยเวลาเราจุดตะเกียงทําไมต้องทําไมต้องมีตัวมันน่ะพราะอะไรเพราะจะใส่น้ํามันไงนะไส่มันทําไมไม่เอากองไว้ทําไมต้องมีเหล็กมีอะไรไปดีบไปเพราะให้มันไหม้ทีละน้อยไงนะให้มันเป็นไปตามลําดับนะให้มันดูดซับขึ้นมา จริงๆก็จะให้มันส่องประกายแหละส่องสว่างเหมือนกันการปฏิบัติธรรมเราก็เหมือนกันนะเราต้องข้ามพ้นไอ้ความรู้สึกจากรูปแบบไปเนี่ยรูปแบบมันเขาอาศัยให้เกิดสติขอให้มันเกิดสติซะเหมือนถุงพลาสติกเนะี่ยเวลาเรามีอาหารไม่มากอาหารนี่เราจะมีไม่มาก ปุ๋ยเราก็ไม่เยอะแต่เราอยากเพาะเมล็ดอันนี้ทำไมเราจะลดน้ํานน้อยอ่ะในเวลาที่สั้นๆอย่างเงี้ยเจ็ดวันเนี่ยทำยังไงมันถึงจะงอกเราก็ต้องมีรูปแบบเอามาใส่ให้มันเอาไปใส่ถุงตัวนี้ใส่แกลบเผาใส่อาหารใส่น้ำยาเราซื้อน้ำยามาจากร้านเนี่ยน้ำยาเร่งรากถังหนึ่งเนี่ย ถ้าเราไปวางในพื้นดินือเสียบไว้ในทะเลสายนะ้ำเมล็ดมะ ม, ม่วงเนี่ยลสเนี่ยมันลงไปล่างหมดนะ่ะฮันก็ใส่รูปแบบจำกัดเอาไว้สักหน่อยใส่ถุงในน้อยน้ยํายาเนี่ยมันอาจจะได้ถึงเจ็ดหมื่นถุงเนอนะเราไปผสมน้ำแล้วก็มาหยดใส่ก็ได้ไม่ต้องจมไปละลายไปโดยเปล่าประโยชน์อย่าเราไปกำหนดรู้นชีิประจวันเราเนี่ยมันงอกอยาก พอกำหนดรู้มันก็นไหลไปกับเวทนากับคำดุคำดา่าคำกับการกำงานเนี่ยมันหลุดไปหมดนะอันก็จะมีรูปแบบมันเอา้านั่งปฏิบัติธรรมจเจริญสติอยู่ด้วยกันเจ็ดวันนะเนี่ยแล้วก็อาศัยกันกำหนดรู้นะทำให้มันต่อเนื่อง เราจะเพาะอะไรเดี๋ยวนี้เพาะสติเราเนี่ยตัวสติลราเนี่ยตัวสติตัวระลึกรู้เนี่ยจะทําให้มันเป็นมหาสติให้มันสามารถดูจิตเนี่ยดูกายในยได้อย่างต่อเนื่องเวลามันจะออกไปก็ดึงมาดูไม่มันออกไปให้มันดูแต่ถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆแล้วดูมันเป็นยังไงปัญหามันก็คือก็หลับแหละพระพุทธเจ้าดูให้ต่อเนื่อง ตลอดเจ็ดวันหรือตลอดทั้งชีพตั้งแต่ตื่นนอนจนทั้งหลับตาลงถ้าคุณไม่หารูปแบบให้มันดูได้เนี่ยจะทำยังไงอะมานั่งดูเฉยเฉยมันจะดูเป็นเหรือขนาดเราเดินดูนี่ยังหลับเลยนั้นต้องหาอะไรที่มันกระตุ้นตัวเองนั้นเขารู้ว่าทำให้มันเกิดศรัทธาไง ปั้นในตัวสติที่มันไม่เป็นตัวเป็นตัวเนี่ยไอตัวกําหนดรู้มันไม่ต่อเนื่องทําให้มันต่อเนื่องมันไม่เคยกลับมาดูมันแวบออกไปข้างนอกเอาให้มันอยู่เหมือนฝึกควายนั่นแหละเคยเห็นไหมเขาทำคล้อกตอนควายเนี่ยเขาจะเข้าหลักหนีบไว้แล้วยัดตัวมันเข้าไปแล้วมันม้วนตัวหันกลับไม่ได้ต้นเดินไปหน้าแล้วเขาก็จะมาใช้ไม้ขัดเอาไว้นะแล้วก็ฝึกหรือตอนมันอะมันพยศ แต่ถ้าคุณเอาไม้ไม้เอาไม่เอาไม้ไมขัดไว้ปล่อยไปแล้วมันจะวิ่งไปเนี่ยคุณจะไปฝึกมันฝึกได้เหรอฝึกไม่ได้นะมันวิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่เรานั่นแหละจะถูกมันฆ่าตายเหมือนพวกมาทา ด, ดอเขาเล่นกับวัวกระทิงเนี่ยแต่ถ้าลองดูดิเอาไม้หนีบไว้ฝึกมันเน่ยจะได้อันนั้นอันนี้มันอยู่ไกลตัวนั้น เราก็สังเกตดูฝึกรู้กายเนี่ยฝึกยังไงมันจะรู้ตลอดเนี่ยแต่ไม่ใช่ไปฝึกอยู่กับหลับไปเลยนะอันนั้นไม่ได้ดูอันนั้นหรือไปดูกับคำพูดคำบริกรรมอะไรมันไม่ได้ดูซะอันนั้นมันไปกับคำบริกรรมซะห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบแล้วนะนะฮันตัวรู้มันก็ไม่ค่อยเห็นรู้กายพอกายนี่มันเป็นทุกข์เป็นที่ตั้งของความทุกข์ มันเป็นอะไรไปจึงทุกข์พะจิตมันมีอุปทานมายึดแต่ดูกายกับดูจิตเท่านั้นเองมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ประหลาดอะไรอะแต่เมื่อไหร่ที่เราจะเข้าใจอะเพราะจิตกูเป็นอะไรเราต้องสอบสวนทวนเข้ามาที่นี่อย่ามองออกไปข้างนอกเวลาฝึกเนี่ยมองเข้ามาข้างใน ให้เห็นทุกตามความเป็นจริงว่ามันเกิดเนี่ยมันเกิดเพราะเราคิดนั่นเองเกิดเพราะเราไม่ปล่อยวางคือเพราะการยึดติดนเนี่ยใครทําให้เราปล่อยวางไม่ปล่อยวางได้เอาลองไล่ดูดิถ้าคุณไม่ทํำเองมันจะได้เหรอนะมันอยู่ที่ตัวเรานะจะปล่อยวางไม่ปล่อยวางเนี่ยครูบาอาจารย์กขช่วยให้เราปล่อยวางไม่ได้ พระพุทธเจ้าเหาะมาที่นี่สอนท่านก็จะสอนรู้สึกตัวเหมือนเดิมนี่แหละสอนให้คนมีสติแต่ถ้าเรามีทิฏฐิมานะมากคิดเยอะอย่างนั้นอย่างนี้อยู่เนี่ยไปเรียนกับพระพุทธเจ้าสักยี่สิบองเนี่ยก็ไม่เกิดประโยชน์นะปัญญาเราจะไม่เกิดเลยอ่ะพอพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราทำเองนี่แหละให้รู้สึกตัวนี่แหละ อย่างเราสอนแล้วพาปฏิบัติทาเอา้าเจริญสติมายัางไง ร, รู้สึกตัวคูเ ย, ยดสำ ม, มินจิเตปาสาริเตสัมปชานการียาดูกายกับดูจิตจิตานุปนะัสนาและลึกรู้นี่ดูเลยจิตโกรธก็รู้ง่วงก็รู้เบื่อก็รู้ขี้เกียจก็รู้ฟุ้งซ่านคิดมากไม่คิดมากนี่นะรนะัดสั้นไปเลยเนี่ยและลึกรู้อย่างนี้ดูเลยเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยดูกายด้วยเวทนาดูด้วยจิต ว่างไม่ว่างคิดไม่คิดง่วงไม่ง่วงทำมารมปรากฏเกิดปล่อยวางได้ไม่ได้เกิดปีติไม่เกิดฟุง้งซ่านไม่ฟุง้งซ่านดูพร้อมกันเป็นในตัวเลยจบทันทีเป็นวิธีที่รัดสั้นและตรงมากที่สุดแต่ว่ามันก็อ่อนแอเกินกว่าที่จะใช้นะมันต้องใช้เวลาแบบไหนแ่ละนู่นแหละ บำเพ็ญบารมีสักสิบชาติยี่ิบชาตินั่นแหละต้องใช้ระบบแบบนั้นระบบทางด่วนเนี่ยมันไม่ได้เสียค่างโง่หน่อยเสียค่าเวลาหน่อยมันไม่อยากเสียเงินไงเขาเก็บสี่สิ บ, บาทเอาผ่านทางนี้ไปลงตนนแล้วจะถึงเวลาไว้นะเราก็ไม่อยากเสียสิ่งที่เราได้มาเราคิดว่าเรามีไงไม่อยากเสียรูปรถกลิ่นเสียงไม่อยากเสียความสะดวกสบาย ไม่อยากละอัตตาตัวตนพวกนี้นะเราก็ต้องขี่อ้อมไปอยู่นีเนะี่ยขี่ไปอยู่กับความหลับความม่วงความเงาความเบื่อความขี้เกียจความอะไรต่างเนี่ยแต่ถ้ายอมทิ้งซะสลัดพวกนี้ซะเอาไปแลกซะเอาจ่ายค่าผ่านทางเขาก็ดูว่าเรามีทรัพย์ไหมที่จะผ่านทางเนี่ยศรัทธามีมากไหมที่มาเนี่ยวิริยะสติสมาธิปัญญามีไหมมันมีกำลังไหมศรัทธาคุณ ความขยันมีไหมหรือทำไปด้วยความละอายคนอื่นเฉยๆไม่ได้ทำเพื่อออกจากกิเลสในจิตเราอะถ้ากำลังไม่มีฉันทะความพอใจก็ไม่มีวิรยิยความเพียรพยายามก็ไม่มีจิตตะสังเกตดูใจตัวเองก็ไม่มีวิมังสานะไม่มีตัวดำริติตรอง อะไรถูกอะไรผิดสังเกตไม่เป็นเนะ่ยคุณธรรมพวกนี้ไม่มีในเราเขาก็ไม่ให้ผ่านทางคนเก็บเงินนะ่ไม่ได้ผ่านไปถูกทางนี้ผ่านไม่สู่ความว่างความปีติปัสสธิสมาธิไม่มีอนะ่ะทางโน้นเขาไม่ให้ไปเพราะกิเลสเราเยอะนะ่งเราไม่ปล่อยวางเราไม่ยอมแรกเขาดูเราเรามีไหมคุณธรรมอันนี้เขาเรียกว่าอริยทรัพย์นะฮะอันนั้นเขาเก็บ สี่สิบาทเงินทั้งโลกท่านนี้เขาเก็บสี่บาททรัพย์อันนี้เราก็ยังไม่มีอเรามาปฏิบัติทํานี้เรามาวัดตัวเองมาวัดนะเนี่ยดัชนีชี้วัดว่าเรามีคุณธรรมบากน้อยแค่ไหนก็คือคนนี่แหละมาปฏิบัตทิทํามไมได้อารมณ์ไม่ได้อารมณ์ตรงนั้นแหละได้อารมณ์คือมีสมาธิปรากฏเกิดขึ้น แต่ถ้ามันยังไม่เป็นตามกระบวนการาก็ปล่อยวางได้ไม่คิดไม่เยมันก็ได้ได้ด้วยเหตุด้วยผลแต่ว่าอุณภูมิของความทุกข์ในใจเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากมีสมาธิเกิดจากกระบวนการเห็นแจ้งพวกนี้แต่มันทําใจได้บ้างแต้หลายคนนะทั้งโลกเขาก็ทําใจได้บ้างอยู่นะ แต่ว่ามันไม่ได้เป็นตามขบวนการนี้การดับทุกข์จริงๆตามแบบพุทธธรรมคือแบบรู้ตื่นเ บ, บิกบานแบบถาวรแบบปรมัติสั จ, จเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแต่มันเกิดตามสัญชาตญาณที่เราสะสมมาเท่านั้นเองนั่นเราจึงอยากทําอะไรให้มันถาวรไงปฏิบัติธรรมเนี่ยดับทุกข์ก็อยากดับแบบถาวรอยากดับทุกข์อยากเห็นทุกข์ก็อยากไปเห็นแบบเห็นแจ้ง เห็นแจ้งเห็นที่ไหนถ้าเราเข้าใจผิดจะเห็นแต่ชาติปางก่อนจะเห็นโน่นอย่างนี้คนละเรื่องกันนะนั้นเราจะบอกว่าแลาเลึกรู้อยู่กับกายเพื่ออะไรเพื่อจะให้เห็นแจ้งในกายไงและลึกรู้อยู่กับกายเพื่อมันจะเกิดการเห็นแจ้งในกายเกิดขึ้นเห็นความคิดมันมารู้บอกเกิดของทุกข์มันมาตรงนี้ก็จะเห็นแจ้งในจิตนั่นเองพุทธศาสานาในไม่เกี่ยวกับศีลไม่เกี่ยวกับ อะไรทั้งนั้นเนีนะ่ถ้าตั้งใจทำแค่ความรู้สึกตัวนี้ก็สามารถดับทุกได้ถ้าใจมันเกี่ยวเกี่ยวทั้งหมดเลยคุณธรทดหม8 4 0 0ี่พันพรรมขัน8ปดหมื่ี่พันเรื่อง ส, สิบแปดหื่นสี่พันอารมณ์ก็เกี่ยวแต่มันเกี่ยวในเบื้องต้นแต่สุดท้ายก็คือเป็นอนาตตาไม่มีแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละอัตตาตัวตนมันเยอะ นะมันจึงไม่สามารถที่จะ ย, ยังคุณธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในจิตแล้วให้ตื่นเบิกบานขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้นะเราเปิดไม่ได้แสงสว่างก็สอดเข้าไปไม่ได้แสงสว่างแห่งพระธรรมสุญญ า, าอนัตตาเข้ามาไม่ได้ปีติเกิดขึ้นไม่ได้สมาธิเกิด อารมณ์วิปัสนาเข้ามาในใจเราไม่ได้เพราะจิตมันปิดตายกิเลสตัณหามันปิดปิดปิดปิดตัวง่วงแล้วก็ออกไม่ได้ตัวคิดแล้วก็ออกเราก็พยายามนะหลายหลายคนก็พยายามนะแต่เนื่องจากว่าทำมาหลายวันมันออกไม่เพรา ะ, ะเพราะมันหนาไงปุถุชนชนผู้มีความหนาแน่นไปด้วยอารมณ์ด้วยกิเลสด้วยตัณหาแกออกตัดออกยังไงก็ไม่ออกนะ่ ลหลายคนมาปฏิบัติทําไม่ใช่ไม่อยากได้ไม่ใช่ไม่อยากเอาออกแต่ว่าทํายังไม่เป็นไงมันทําไม่เป็นมันออกไม่ได้กิเลสมันหนามากไปอัตตาตัวตนมันจัดไปอ่ลองดูดิสักวันฮึดสู้ดูดิมันก็หายไปได้เลยแหละเออเอาเป็นเอาตายว่ากิเลสตายเป็นตายแค่นี้มันก็ออกได้แล้วไอความรู้สึกแบบนี้เนี่ยถ้าเราจะเอากับมันจริงๆเนี่ย อันนี้เวลาเรามาปฏิบัติธรรมนี่ราวางอนาคตเป็นสายเลย <c oughs> เสร็จที่กูจะทํมา น, นุ่นอันนี้ไป น, นุ่นไปนี่อะไรต่ะโอ้ยมันมันเหมือนปฏิบัติธรรมอะเหมือนเราพายเรือพายเรือแต่ไม่ไม่ตัดโซ่ขับรถแต่ไม่เข้าเกียร์ เดินเดิดดดเหมือนเขาอยู่มีเสียงอยู่เหมือนอยากมาปฏิบัติธรรมอยู่เอาก็เอาเอาก็เอาอะไรไประมาณนั้นแต่ว่าไม่เข้าเกียร์ติดอยู่แต่เกียร์ว่างศรัทธาก็ไม่มีปฏิบัติธรรมเนี่ยวิริยะก็ไม่เข้าเกียร์นี่สติก็ไม่ปลดไม่ล็อกสมาธิก็ไม่มีเหยียบอยู่นั่นแหะลองถือื่อนเลื่อนๆลอยู่นะเขพาพาปฏิบัติธรรมกับปฏิบัติแต่เคลื่อนที่ไหมจิตเนี่ยไม่มี มือนี่ยกลงไปยกมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเพราะจิตมันไม่ได้ติดไม่ได้กําหนดรู้เนี่ยเคยขี่จักรยานไหมอุปมาเดียวกันเนี่ยขี่จักรยานแล้วไม่เอาโซ่ไปคล้องจานมานะัน่ะทีบลงไปทีบลงไปไมิแต่หัวขม ำ, ำตายนั่นแหละโซ่มันไม่คล้องมันก็ไม่เคลื่อนที่นะเดี๋ยวนี้เราจะเอาจิตออกจากทุกเดี๋ยวนี่ย โซ่มันคือสติเนี่ยเอามาคล้องเฟืองมันเนี่มันจะไปหมุนล้อมันนะะบวนการมันทั้งหมดมันมันติดกันไปทั้งหมดตัวจับที่มือน่อ่านนั่งเหมือนกันน่ะไฟเบรกอะไรเนี่ยมันเป็นตัวประคองเพื่อจะให้รถคันนี้นี่เคลื่อนไปข้างหน้าเหมือนกันอธิยกมือสร้างจังหวะนี่ก็เหมือนกันเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่จับประคองที่จะดันไปข้างหน้าไงดันร่างกายพาร่างกายนี่ เราไปข้างหน้าปฏิบัติธรรมก็จะเพื่อพาจิตนี้มันออกจากทุกข์นี่มันจมอยู่ในนี่นี่อยู่ที่บ้านเราเนี่ยมันจมอยู่กับอุปท า, านอยู่กับตัณหาเนี่ยนะเราจะหนีออกจากบ้านไปนอนเดี๋ยวนี้ไปไกลๆนอนออกจากทุกข์เนี่ยมันติดอุปท า, านเนี่ยติดกิเลสนี่จะขี่ออกมันมีฟันเ ฟ, ฟืองเนี่ยจักรยานเนี่ยมันมีเฟืองในจานน่ะเฟืองมัน สัทธาวิญญสติปฏิจัสูบาเลยต่ามันอาจจะมีอยู่12เฟืองนะแล้วแต่ว่าจะมีกี่เฟืองกี่ฟันท่านอุปมาเหมือนเห็นไหมเราไปเห็นธงธรรมจักรนะธงธรรมจักรมันมีกี่สี่นะมี8ปีก็มี8ปีก็มัก8ดฟันเฟืองมันคือมัก8ถ้า4ี่ก็อริยสัจสี่สติปัฏฐาน4าีบางทีมี12บสองนะเรียกว่าปฏิจัสมุปบาท ก็เอาจิตสติมาคล้องจิตเนี่ยมันเป็นตัวว่างๆอยู่แล้วนะ่ะแต่มันถูกห่อหุ้มไงเอาเอาจิตขึ้นนั่งซะแล้วก็ทีบคล้องไปอ่ะโซ่ตกมีไหมมีโซ่ตกก็เก็บขึ้นใส่แต่บางคนไม่ดูเลยทีบเอาทีบเอาทีบเอายกมือยกมือเอาจะเป็นจะตายแต่มันไม่รู้สึกตัวเนี่ยสติมันไม่คล้องแล้วมันจะเคลื่อนที่ออกหรอจากทุกมันจะออกจากบ้านได้หรือ มันจะออกจากกิเลสได้หรือมันจะไปได้หรือเข้าสู่เดนแดนนิพพานเนี่ยนะถ้าออกทางจิตได้มันเคลื่อนทางจิตได้เขาเรียกว่าวิปัสนาญาณแต่ถ้าบ้านพากายไปเขาเรียกว่าจั ก, กรยานอันนั้นยกมือนี่ร้อยรอยไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่ติดให้สักทีรู้สึกตัวก็หายว่ า, า, ย, วายังก็เอาน้ําไปหยดลงในทะเลทใย จะปลูกต้นไม้ยดที่ไรก็หายจ่อยหายจ่อยกําหนดรู้ที่กายกําหนดรู้สึกมันไม่ติดให้สัทีเนี่ยเนี่ยมันไม่รู้สึกให้สัทีมันไม่รู้สึกมันเหมือนมีสมาธิเหมือนเราเคยเห็นน่ยเราปล่อยว่าวขึ้นไปบนอากาศมันติดมันเป็นยังไงอ่ะมือมันแน่นนะนิ่งนะหรือเราไปตกเบ็ดเนี่ยทิ้งลงไปเวลาปลากินไป็ยังไงดิดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิดิ มันสะเทือนมาถึงมือนี่ไอ้รู้สึกตัวอย่างนี้เนี่ยมันก็รู้สึกมันมีสมาธิหรือไม่มีสมาธิมันรู้นะถ้าจับได้เนี่ยมันรู้มันเข้าใจมันเห็นมันสัมผัสได้สภาวะธรรมมันเนี่ยมันเกิดขึ้นเองนะพอมันออกไปได้ออกจากความมืดได้นี่นะตามันใสใจมันเบิกบานมันแจ่มใสยิ้มเย้มแลยแต่ก่อนไม่กล้า คุยธรรมะธโมหรือคุยกับคนนั้นคนนี้ก็มีแต่จะบกเอาเรื่องอย่างเดียวแต่พอออกไปได้แล้วโอ้รู้สึกว่าเรามีความภูมิใจภูมิใจว่าเราออกมาได้ออกมาจากนั้นได้ถีบออกมาแล้วเริ่มคนถีบจักรยานเปมันจะเริ่มซ่อมเป็นละทีนี้ซ่อมจักรยานเป็นหมุนตัวนั้นนัดตตัวนี้นีน่คือมันซ่อมไปด้วยได้ออกไปได้เหมือนกันนะ่ะนะพอเรามีคุณธรรมเรารู้ทันทีว่าคุณธรรมตัวไหนที่มันอ่อน ัฟเฟืองตัวไหนที่มันไม่ดีซ่อมตัวนั้นซ่อมตัวนี้ขึ้นไหมทีบไหมทีไปทีมาทีบไหมก็ล้มบ้างแหละล้มก็ลุกขึ้นไม่เป็นไรง่วงบ้างก็ไม่เป็นไรฟุ้งซ่านบ้างก็ไม่เป็นไรทีบไหมอืมพอทีไปทีมาแล้วยเอาจักรยานชายกู้ไปพิสติดแบตเตอรี่ก่อนติดแบตเตอรี่นะใส่ไฟเป็นจักรยานไฟฟ้านเนี่ยวนี รถยนต์ก็เหมือนกันนะพัฒนามาสะหน่อยมันจะได้เข้าเกียร์ก็คือกๆ อ, อยู่ต่อมาไปซื้อเกียร์อโอตโต้มาสบายอ่ะขี่ไปสบายเลยทีเนี้ยถึงเป้าหมายรถโทมก็ไปถึงรถไม่โทมก็ไปถึงนะทางนอกนะขอแต่เครื่องยนต์มันดีคุณจะมาจากตระกูลไหนวันละไหนอ่ะ ตระกูลพระตระกูลโยมตระกูลข้าราชการตระกูลลูกช่างแต่ขอแต่เครื่งยนต์มันดีข้างในมันไปเองหรอกนะถ้าตัวระ ล, ลึกรู้มันดีก็ไปแล้วไปสู่การรู้แจ้งนะเนื่องสารวจดูดีๆมาปฏิบัติธรรมเนี่ยสํารวจดูดีๆคุณธรรมเราธรรมะนําไปสู่การรู้แจ้งเนี่ยตัวไหนที่เราบกพร่อง ฟันเฟืองตัวไหนถ้าจะขี่จักรยานคันนี้ไปสํารวจดูนะเฟืองใหญ่ที่สุดในชีวิตก็คือเฟืองสติสติเนี่ยเฟืองมันใหญ่มากถ้าหมุนสติไปได้ขันติก็อยู่นี่สัจจะก็อยู่นี่ศีลก็อยู่นี่อธิษฐานอะไรอยู่นี่มุดแหละการบรรลุทำการเห็นแจ้งธรามทิฏอะไรประมาณปัญญาญาณ ยานานทัศนวิมุตติโมกนิพานอยู่ในเฟืองใหญ่นี้หมดเลยเห็นไหมตัวใหญ่ๆถ้ามันหมุนไปแล้วมันไปหมุนตัวอื่นไปด้วยมันขยับไปด้วยนะแต่ถ้ามีสมาธิมันเฟืองในน้อยนะมันยังไม่เป็น่ยนนะแล้วไปหมุนแล้วจะหายเฟืองสติไปด้วยหรือมันไม่ไปนั่นเฟืองมันใหญ่ตอนนี้คุณครองไปดูดินาฬิกาปุกนะ ตอนเช้ามันปกก้ขึ้นมาเราไปดูเวลาเราหมุนหมุนเฟืองมันใหญ่ๆมันไปแล้วมันจะไปมดต่อเฟืองเล็กน้อยข้างในเยอะมากแต่ถ้าเราไปเอาหมุนตัวน้อยๆในตัวใหญ่มันได่ไปหักหมดนะเหมือนกันเนี่ยถ้าจะพัฒนาจิตของคุณเนี่ยคุณพัฒนาสตินั่นแหละดีที่สุดถ้าเราลึกรู้ตัวสติมันต่อเนื่องขยันเกิดขึ้นเองเห็นไหมปฏิบัติทำมีสตินต้องขยันไม่ปฏิบัติทำถ้าคุณขยันน้อยมันไม่มีทางจะเป็นให้ มรรคผลนิพพานมันไม่เกิดหรอกคําว่าขยันเนี่ยคือขยันภายในขยันดูขยันเห็นนะขยันอยู่กับปัจจุบันธรรมแต่ถ้าขยันแบบนั้นมันยังไม่พออยู่เราก็ต้องมีรูปแบบช่วยมันช่วยมันแต่ถ้ามันขยันแล้วมันอยู่เองได้แล้วเนี่ยเราไม่ได้ช่วยแล้วนั่นแหละเขาเรียกว่าสวากาตธรรมดูแล้วเป็นแล้วเองแล้วมีแล้วเนี่ย มันเกิดขึ้นแล้วดนั้นถ้าเราออกได้ก็คือออกจากทุกนั่นแหละออกไปแล้วพ้นไปแล้วโอ้ขีมาก็เห็นเนี่ยอรหังไม่ใช่อารหังนะมันไม่มีสระอาอารหังอารหังอา ร, ห, อารหันตสัพเป็นผู้ไกลจากกิเลสเนี่ยเป็นผู้ไกลจากกิเลสกิเลสก็มีโยตินอยู่ทั้งหลังน้นเราขี่จักรยานมาไกลแล้วเห็นแล้วโอ้ยมันไกลแล้ว เป็นผู้ไกลจากกิเลสในในี้ไกลไม่จากกิเลสนี่มันไม่ห่างมันไม่ไกลมันจมเพราะอะไรมันขึ้นจากหล่มไม่ได้ไงขึ้นจากโคลนไม่ได้มาปฏิบัติท่านี้ก็คิดห่วงหาอันนั้นอันนี้คิดถึงคิดห่วงอันนั่นก็อย่างนั้นอันนี้ก็อย่างี้จมเ ก, กเลือกัวเลือเพื่อนไปหมด นะใจเนี่ยมันก็ไม่ขยะขยแยงบงีก็มาติดร่างกายสังขารติดความสุนโอยสถานที่ไม่ค่อยดีที่นั่นดีที่นี่ดมีมันจะโง่ไปถึงไหนชีวิตอันนี้จิตเราติดอยู่ความโสมกปกตามันยังไม่ตื่นนะ่ะมันเลยไม่รู้จักว่าอะไรดีไม่ดีนะคนหนึ่งเขากลับมองว่าเออไอเ น, นี่ยมันเป็นเครื่องช่วย ช่วยในการกระตุ้นให้เกิดอริยสัพเ์เนี่ยเกิดคุณธรรมให้ได้ใจดีสติดีสมาธิดีขึ้นมาข้างในแต่บางคนมองเห็นว่าเป็นอุปสรรคเนี่ยจิตมันอ่อนแอผิดกันมากนะมันอ่อนแอไงคือมันสู้เวทนายังไม่เป็นไงดูกายเห็นเวทนาทเห็นจิตเห็นอารมณ์ยิ่งยากดูกาย ก็ยังไม่อยู่กับกายเวทนาก็ยังสังเกตไม่เป็นสุขทุกข์พอใจไม่พอติดเจ็บปวดเมื่อยนอนหนาวเนี่ยยังวางจิตไม่อับกับภาวะนี้ไม่เป็นนั้นพอวางไม่เป็นมันก็เกิดอารมณ์เด้ออารมณ์ชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรมันชอบเพราะมันทนเวทนาไม่เป็นเห็นไม่ได้ฉั้นปัญหาก็เกิดเยอะแยะเลยเพราะไม่เข้าใจไอ้นี่เท่านั้นเองฉะนั้นค่ะที่บอกว่าดูรูปเนี่ยให้เห็นนะดูกายเนี่ยให้ชัด ถ้าคุณดูกายชัดเห็นชัดคุณจะเห็นเวทนาเวทนาคุณจะปล่อยเวทนาเป็นอันคนไหนที่มันขยันขยันไปมีปัญญานะบางคนขยันก็ไม่มีปัญญานะเห็นไหมบางคนไปซาอุเหมือนกันกับเขาไปหาเงินเหมือนกันเนะ่ะแต่ไม่รวยแต่คนหนึ่งรวยมานะไปพร้อมกันคนหนึ่งมันไปเล่นการพนันไงไปแล้วก็มีแต่หลับบางทีไปเล่นการพนันก็มีแต่พูดแต่คุย หาแต่เงินถูกเขาเล่นไฮโลไปฮ่องกงไป น, งนี่ทั้งหมดเนงินหมดตัวมามาปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันหาแต่จะคุยกับคนอื่นเนี่ยไปอยู่กับตัวกิเลส ท, ที่มันปลอมเข้ามาข้างในมันมาชวนคุยเนี่ยก็คุยแต่กับกิเลสอยู่ข้างในใจนะตัวง่วงมาชวนไปเห็นไหมมันไปแต่กับกิเลสไงแต่ตัวสติมาชวนมันไม่ไปสมาธิมาชวนมันก็ไม่ไป ปัญญาไม่ชวไม่ไปมันไม่สนนะพอไม่สนมันก็จะเกิดปัญญาได้ยังไงคณธรรมมันจะพ่อคูนขึ้นหรือ ม, มันก็มีคืนนะนะฮคอร์สต่อไปในควรเอาไปปฏิบัติอยู่ในรูเอาไปนะเอาไปฝึกในรูไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเห็นแต่รูเนี่ยเอาอะไรครอบไว้ไม่ให้มันเห็นอะไร แล้วต่อไปคอสต่อไปก็เชิญมันไปปฏิบัติในวัดพระแก้วลองดูดิมันไม่ช่วยอะไรหรอกโยมมันอยู่ที่จิตเนี่ยดูจิตเป็นไหมทนานเดงสติเนี่ยระลึกรู้เนี่ยเป็นหมถ้าระลึกรู้ยังไม่เป็นเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยหนาวร้อนเนี่ยมันไม่ได้มาทำให้เราเป็นทุกข์นะแต่ว่าเราทำเพื่อเรียนรู้มเราเรียนรู้ อ่อนแะอก็โยมก็มีเห็นไหมพระมาจากปักใต้จะมาอยู่นหนึ่งเดือนนะพอมาฝืนไม่เป็นห่วงเงาอะไนั่นนี่ตื่นไม่ทันมาเ น, นโอ้ยผมไม่เคยสู้กับหนาวแบบนี้พอมันหนาวแล้วก็คือมันก็นอนดีอะ่นะมันก็ต้องตื่นสายอายคนบางอะไรบอกว่าไม่เอาแล้วอันนี้ก็เหมือนกันพอฝึกมาฝืนพอเราตายไปตายว่ะฝืนดูดิเยแล้วเราจะสามารถทําได้เลย แต่ถ้าเราจิตยังหดหูยังอเสาะกับมันอยู่เนี่ยมันไม่เป็นหรอกโยมประคองเนี่ยถ้ามันมาตฏิวัติขากู่ขากู่นี่ตายอันนี้ป่านนี้ไม่ไปหน้ามาหลังละนะแต่เพราะเขาไม่ได้สนอ้าขาก็ทิ้งไปแล้วไม่เอานมาด้วยอืมีไม่มีแตช่างว่ามันอะเป็นเรื่องของมันตัวเราอยู่นี่ปัจจุบันเนี่ยมันก็ได้ฝึกเนี่ย เราได้ยินว่าเนี่ยเขาติดไปสัมปนาที่หัวหินที่โน่นที่นี่ผมสร้างแม่มาเนะี่ยมามันพอได้เห็นทางแล้วนี่มีสติแล้วลุยต่อเนี่ยปฏิบัติไปแต่ปฏิบัติไปแล้วก็เท้อวันก่อนก็มาขอลากลับเนี่ยหัวหลวงตาคงจะไม่ไหวอย่าบ้ากับความคิดนั่นเธอเลยรู้จักความคิดดีไหมนี่แหะนี่แหละคือความคิดล่ะเดี๋ยวอยากอยู่เดี๋ยวอยากหนีเดี๋ยวอยากอยู่เดี๋ยวยนีไปสู้ต่อครับครับ ไปเดินอา่าววันก่อนเป็นไงโอ้ยหลวงตาทําไมมันเบาจังเ น, นี่ยสติเอานี่แหน่เห็นไหมมันขึ้นขึ้ น, นลงล ง, ลงถ้าเป็นเล่นกับมันก็ยุ่งเนยความคิดนะเนี่ยแต่ถ้าอยู่แล้วไม่ฝึกสตินะอยู่กับเงาอยู่กับเฮยกูไม่ได้กลับน้อยใจน้อยได้ยังไงหตายอันนี้ก็เมาอยู่ั่นแหละยิ่งกว่ากินเหล้าอยู่ทั้งโลกเขาเหล้ากรอกก็เมาไปเมามา อยู่กับทางทำนี่เมาความคิดเมาความวง่วงเมาอดีตอนาคตตายท่านพยายามฝึกฝืนนะคุณอย่าไปหลงกับคนมีเงินเงินไม่ช่วยอะไรคุณไม่ได้มีเงินคุณก็ใช้เงินยังไม่เป็น่ะคุณจะทำเนี่ยเห็นไหมลูกหลานคนมีเงินมีทองเนี่ยอ่อนแอเนี่ยคุณจะทำในใจเขาไม่เกิดเพราะอะไรเพราะเวทนาอะไรเกิดขึ้นเขาจะสนองต่อเวทนา มีอะไรกิขึ้นก็สอนสนองต่อเวทนาเอาเงินเอาทองเอาเวทนามาสนองอารมณ์อยู่เวสนองตอบอารมณ์เนี่ยความเข้มแข็งความอดคนทนความอะไรไม่ได้เอาไปมาทรัพย์สมบัติที่มีก็หมดไปหมดไปหมดไปเพราะความอยากนะตั้นหานี่มันมากขึ้นมาขึ้นนั้นต้องเอามาสนองมันเรื่อย ๆ, ๆแต่คนไหนที่มีเงินมีทองร่ํารวยเอาลูกเอาหลานไปปฏิบัติธรรมหน่อยเถอะพราะปฏิบัติธรรมแล้ว ทรัพสมบัติจะเป็นประโยชน์ต่อสำหรับชีวิตเขาเขาจะใช้เงินเป็นในส่วนหนึ่งคุณธรรมในใจเขาเนี่ยจะช่วยช่วยรักษาใจเขานะอันนี้ก็มาอำนวยความสะดวกนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเราไม่ให้เขาฝึกสติเข้มแข็งเขาไม่เข้าใจสัจธรรมเนี่ยชีวิตทั้งหมดมันพึ่งวัตถุมันไม่ได้พึ่งคุณธรรมเขาไม่มีคุณธรรมเป็นแกนชีวิตเขา แต่มีแต่ความวัตถุสิ่งของมีแต่ความโลภโกโรธหลงอะ่ะมีอะไรที่ไหนเห่อไปที่นั่นเห่อไปที่นี่เขามีโรงหนังโรงละครเรื่องนั้นออกมาเห่อไปนะมีอันนี้ เ, นเขาว่าสนุกส น, นั้นเห่อไปจิตมันจะหาจะอะไรที่จะมาให้ความสนุกเกิดขึ้นเนี่ยตรงนั้นเขาฝึกจริงนะโวยไม่ไปแล้วนไะอปฏิบัาต้อยหลงมาได้นี่๋ยนว่ะ มันไม่มาหรอกมันไม่เกิดปัญญาได้ตัวเองหรอกปัญญามันไม่เกิดมันไม่อยากฝึกไม่อยากทําให้คุณธรรมสติมันมากขึ้นความอดทนมันไม่ได้ฝึกสติสมาธิขันติวิริยะสัจจะอะไรต่างมันไม่อยากเกิดขึ้นนี่เขาเรียกว่าคุณธรรมธรรมะชนิดที่มันเป็นคุณกับชีวิตเราเนี่ยถามว่าไปฝึกไม่ฝึกนะแต่มันอยากได้ลาบยศสารเสริญอยากมีสุขเหมือนเดิม อย่ามีคินทองมีข้าวมีของอย่ามีความสนุกสุขสบายสันดานคนไหนที่ตื่น ส, สายขี้เกียจเยอะๆ น, ะนั่นแหละพ่อแม่จะเป็นทุกข์เพราะมันอนะจิตแบบนั้นนะ่ะคุณอย่าว่าแต่พ่อแม่เป็นทุกข์เพราะมันร่างกายเนี่ยจะเป็นทุกข์เพราะนิสยนัยอันนั่นแหละต่อไปก็จนลงจนลงจนลงอะนะหรืออย่างน้อยๆคุณนะทำมันไม่พอ่อพูน เวลาพ่อแม่ปานไหนจะตื่นเนี่ยอีกล่ะโกรธงุนงิด ไ, ได้ครอบได้ครองได้ผัวได้เมียก็ได้ผัวแต่เมียโง่โง่หัวโง่โง่มันไม่ดูหน้าดูหลังถ้าเราฉลาดเลอะเอาไปดูมันนี่มันตื่นเลยอย่างโอ้ยเขาว่ามันตื่นสายเด้เนี่ยหน้าตามันสวยสุดโอ้โหกูไม่กล้าเอาอะสวยกูไม่กล้าเอา ตื่นสายตา ย, ตายกูหาเลี้ยงตั้งปีตั้งชาติแล้วเนี่ยนะเกิดมาก็จะงดหิดใส่อย่างโนนนี่ไม่เอาไม่เอาแต่พวกงโง่ก็เห็นแต่ตูรูปมันนั่นแหละสายก็สซ่างตะเวงงามหยุี่หมตั้งขาวตั้งย่างเว้มันผมมันก็ง่ามเนี่ยมันก็จะติดอยู่ผมขนเล็บฟันหนังอยู่พวกนี้แหลนะชีวิตมันอยู่แค่นี้ไง เพราะเราไม่ได้พึ่งคุณธรรมชีวิตมันจะพึ่งคุณธรรมเราไม่เห็นพึ่งโอ๊ยมันรวยนะคนนี้เห็นไหมหัวล้านกันสร้างต่อมันรวยเนี่ยมากรดเนี่ยพอไปชอบเหมือนเดิมนะแต่โอ้คนนี้ไม่เท่าไหร่นี่จนก็ช่างเถอะนะแต่เขาขยันนะขยันไอความจนความรวยเนี่ย เป็นเรื่องสมมุติขึ้นมาหรอกแต่เราจะอยู่กันด้วยใจเขามีคุณธรรมมีความอดความทนอดกลั้นรู้จักปล่อยรู้จักวางโอ้อยู่ด้วยกันเนี่ยกระทบกระทั่งนิดนิดหน่อยปล่อยวางได้หมดเนี่ยจิตใจดี <c oughs> เอาใจได้อะ่นะคุณธรรมอันนี้มันมีไม่ต้องเป็นหาเงินหาทองช่วยกันหาใหม่ต่างหากอันนี้เงินทองไม่ได้เอามาช่วยเอามาดับได้ไหมสมมตมีเงินล้านนี่ด่ากันทุกวันนะ่ะอา้าวอีปอบดิมึง โอ้ยมันก็บบไพโร่คอยล่าแล้วกเนื้นล้านก็สร้างถ่อไปแล้วเนี่ยมันอยู่ด้วยไม่ได้มันทุกมันไม่มีคุณธรรมน่ะนะเอากับข้าวให้มากินตอนเช้าเนี่ยห้าอย่างเดี่ยมันยังไม่พอใจมันมีคุณธรรมมันไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จะวาไม่รู้จกลดรูปรดกลิ่นเสียงคือความปรุงแต่งมันถามว่าอันเก่าอีกแล้วติมัอ น, อมนนี่ก็ะไดเมื่อวานในกระต้มปลาทูมืัอนี่ก็ปลาทูอีกแล้วโอ้ยบริยักสะแตกเด้อ สะพ้าเขานี้ไหมพี่หนูก็ไม่ค่อยว่างวันนี้หนูป่วยนะสุขภาพไม่ดีตื่นไม่ค่อยทันก็เลยเอาอันเก่ามาให้ทนานก็ของในตู้เย็นนั่นแหละเก็บไว้ได้เจ็ดวันเองถ้ามีคนมาทาโอ๊ยน้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเหตุปัจจัยพี่ฉันได้เลือกได้พี่จะดมดูก่อนหน่อยนะพี่ก็บูตแล้วพี่ก็ไม่เอาหอกเพราะใครแนะ มันก็อยู่ได้กันได้โอ้ยเป็นตาหักไป็นไอ่เนี่ยเป็นตาหักเป็นตาอยู่น้าเล่าขนาดเราไม่ดียังไงเนี่ยเรารู้จักให้อภัยเนี่ยมันมีคุทธธรรมไงแต่อันนี้มันไม่มีเพราะเราไม่ฝึกสติไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรมันไม่ห้ามใจอ่ะ ม, มึงอย่าไปตายท่านไหนกันไปเด้อกูเอาเมียงไม่ก็ไเลเด้ภาษาซ้ำนี่ผลเปรี้ยไข่อยู่บ้านอื่นพวกมันต้องเตรียมการแม่จะชันอะไรสิกูตื่นมาเราต้องได้กินไลยทีป่วยตายพอดีแล้ว มันไม่มีคุณธรรมไงอันเนี้ยรถไม่ดีน้องพี่รถไม่ดีนะรถเก่าโอ้ยรถเก่าหนูก็รักพี่ด้วยใจคอยังชั่วหน่อยแต่มันก็ไม่ดีนะยังชั่วอยู่ mm hmm. ก็คือทุกอย่างเนี่ยคือมันเป็นอันนี้ยังอยู่แล้วหลงอยู่น่ะยังชั่วอยู่แปลว่ายังหลงอยู่น่ะอ้าเก่าก็ไม่เป็นไร รถเก่าของพี่ราคาไม่กี่ร้อยบาทถึงช้าอืดอาดแต่ก็เมดอินเดยแลนด์กันก็ไปกันได้ก็คุยกันชีวิตมัาก็เหมือนมีความสุขอยู่ตลอดเวลาเสื้อผ้าละยี่ห้อเนี่ยไม่มีตาโจลเคไม่มีจิงโจ้ จ, ง จ, ง จ, งจิงเจอะไรก็เอาพอใช้ได้อยู่เสือ้อฝ้ายเสื้อย้อมเอาพออยู่ได้คือถ้ามีคุณธรรมเนี่ยมันสบายคุณธรรมมันมีแต่ในนี้คุณธา ร, รเราไม่ค่อยมี ซับสมบัติภัยเนี่ยมันไม่มีไม่มีเลยพึ่งแต่วัตถุสิ่งของข้างนอกเดี๋ยวนี้รัฐบาลเขารณรงค์อะไรรณรงค์ให้เราเพึ่งตัวเองไงคือพึ่งคุณธรรมไหมพึ่งสิ่งของบ้านนอกข้างนอกอันหนึง่งอันที่สองคือพึ่งคุณธรรมเดี๋ยวนี้มันไม่พึ่งคุณธรรมพอไม่พึ่งคุณธรรมคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่เกิดไหมไม่มีอ่ะมันจะพอหรือไม่พอ ไม่พอหรอกมันไม่พอไม่เพียงเราจะเอาอะไรมาพอมาเพียงมีแต่ความอยากนะเพราะคุณธรรมในใจมันไม่มีความอดทนกับมีความเสียสละก็ไม่มีความปล่อยวางกับไม่มีที่สําคัญคือจะอดทนจะปล่อยวางจะอะไรนี่คุณต้องรู้เห็นตามความเป็นจริงตัวรู้เห็นตามความเป็นจริงก็เกิดมาจากสติแล้วเกิดเป็นปัญญารู้แจ้งถ้าคุณไม่มีสติไม่รู้แจ้งเนี่ยทุกอย่างก็กลายเป็นความยึดติดหมดอ่ะกูไม่เอา กูจะเอาเนะี่ยเท่านั้นเองของกูอหังการของกูของกูกูนะี่นี่กูนะนี่ตัวกูของกูนะกั่เนี่ยภัวกูเมียกูลูกกูทรัพย์สมบัติกูมันมีแต่ตัวกูของกูมันไม่มองเห็นว่าทุกอย่างคือธรรมชาติอารมณ์นี่ก็อารมณ์กูนะมึงนะมึงนะเนี่ยเอาใยทีเนี่ยมันมีไหมโลกนี่มีความสุขมันไม่ไม่มีแล้ว ม่แต่จะเอาไหลแค่เห็นรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์ว่ามันมเที่ยงเนี่ยการดำเนินชีวิตก็เหมือนกันนะแสวงหาเพื่อ น, นี้เท่านั้นเห็นไหมพวกข้าราชการทั้งหลาต้งช่อลาดบรรหลวงเพราะอะไรพราะมันจะไปซื้ออย่าได้มียศถามรดาศักติ์ตำแหน่งและที่อำนาจซื้ออำนาจโลกแสวงหาอำนาจนะข้างนอกนะข้างในแสวงหารม สวยงาธรรมนะสวยหาความจริงของชีวิตทั้งนอกสวยหามอำนาจอำนาจเพื่อไปซื้อเอาลาบยศเสริเสริญเอาโย้มมาวัดที่ดินแน่น้อยนลุงพ่อสองแสนเน่ยมันเท่านั้นเท่านี้มันเป็นธรรมชาติเพราะมันไม่มีคุณธรรมไงจึงเป็นเรื่องที่น่ากลัวชีวิตอันเนี้ถ้าไม่มีคุณธรรมนะนั้น ย่ามีอัตราตัวตนเนี่ยเราพูดกันได้อยู่แต่ถ้าเราไม่ฝึกไม่เห็นก่อนเนี่ยไม่เกิดสัมมาทิฏฐิไม่เห็นกายในกายอย่างที่เรามันจะลึกลึกรู้เนี่ยที่ยกมือนี่เพื่ออะไรเพื่อมันมาลึกรู้มานะมานะมานะเนี่ยควายมันจะเข้าคอกต้องมีอะไรต้องยากม้ามากินเนี่ยดึงมามันต้องมีตัวอ่อย Coast, มันนะจะให้ลูกเรากินยาเนี่ยมันไม่กินลอกแต่เพราะนมนมนเนี่ยอ๋อมันกินนะ มันกินต้องมีของล่อมันสักหน่อยมาปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่นะอากาศดีมากนะเฮีย <Yeah. S 1> hey, กูจะไปกูไม่เคยเห็นเชียงใหม่พราะมาแล้วแทบตายหนาวกันหนาวตายกูกูกูหลงมาแล้วทาไงเนี่ยออกไปก็ไม่ได้จานี้ไปก็มืดมัวรถไม่มารับกูก็ไปไม่ได้แล้วกูก็งดกินแทบตายมาสู้แม่มันดีกว่าวะลุยเป็นลุยเว้ยตายเป็นตายพอบุกไปก็สว่างกับเขาเอา้าวดีกว่ากูไม่มานะเนี่ย ถ้ากมูมาอะไรจุงเลยรชีวิตนึงกูจะไม่เห็นตัวเองเลยดีนะกูที่ทุ่มเทลงไปเนี่ยอแต่บางคนก็งโง่จัดนะมาปฏิบัติทำก็ไม่ได้อะไรมีแต่อันานันอนี่อยู่มันไม่ทุ่มไม่เทไม่ไปตั้งใจอแม่นะแม่แม่นะแ ม, แ ม, แ ม, แม่พามาได้ยังไงเนี่ยง่วนหนะ้าคิดนะังคิดอีกนะ้ำท้าสั่งกูมากูไม่มานะเรื่องของกูนะทีนี้นะเนี่ยโอ้ย แ้าเป็นหลวงตานะบอกส่งข่าวไปเอายาเบื่อหนูให้มันกินเด้วมันกลับไปนี่ให้มันตายซะโงโง่ๆแบบนี้เนี่ยเอาเรื่องของกูเนี่ยมันจะคิดมาเห็นไหมมันเป็นตัวกูคือกิเลสเข้านี่มันไม่ได้คิดหรอกว่าใครเป็นใครเนี่ยตัวเราก็คือตัวเราเนี่ยแหละกูคือกูตัวกูมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอย่ามายุ่งกับชีวิตผมนะอย่ามาชิ้งชีวิตหนูนะเนี่ย มันมาทันทีอ่ะพระจึงไม่ให้มันมีผมไงให้ผมเนี่ยเขาตัดทิ้งหมดเลยผมมันยุ่งชอบพูดบ่อยผมอย่างนั้นผมอย่างนี้นะครับใหมันมีผมเอาออกหมดเหลือแต่หัวเนี่ยเป็นในหัวในหัวอะทีนี้เอาออกทิ้งปล่อยวางไปใจมันก็กลับขึ้นมาหาตัวเองให้เจอล่ะไนี่ใจดีๆใจสบายๆนี่มันมี ไม่มันมีตัวตนนะ่ะสังเกตดูดิคนมีตัวตนก็คือพูดยากสอนยากแนะนำยากใช่ ย, ยากนะทาอะไรคนอื่นก็ไม่เป็นเวละปล่อยมันไปทำสาในโยมมัมก็จะแอ บ, บๆเข้าไปห้องนวลนนะ่ะไปในห้องนะทําทีไปขี่ไปเยี่ยวน่นแหละอีกสัหน่อยมันก็มาใส่สองกระจกเสริมสวยยันในแปลงหมนะเนี่ยในกระจกเนะ เอียงซ้ายเอียงขวาโอ้ยพ่อพ่อมันเชยชมในความเป็นตัวเป็นตนของมันอยู่นะของเน่าเน่าี่มันก็เอาจริงเอาจังเหลือเกินน่ะเมื่อไหรมันจะเห็นภาวะภายในสัทีจะได้หายโง่อสักทีมันก็ไม่ออกในใจเนี่ยมันจะเป็นเน้นกับการนุ่งการแต่งการถือชุดนั่นชุดนี้นะอย่างพระนี่ไม่มีสร้อยคอแล้วเขาก็เอารูปประคำมาใส่พอก้สักหน่อยเหมือนที่นี่ จริงเข า, เาไว้ในนั้นนับลูก ป, ประคำเนี่ยเอาไว้นับอารมณ์กรรมฐานนะไม่ใช่ขังไม่ใช่อะไรนะนับลูก ป, ประคำคือเลยลึกรู้เนี่ยเองเลยลึกรู้เนี่ยสติเลยลึกรู้ยิ่งคนมีลูก ป, ประคำเยอะก็คือเขาจะเลยลึกรู้มากสติมันจะมากแต่ไม่ใช่ประดับของเราก็อย่างว่านะ่ะทางโลกเขาก็มีสร้อยคอสร้อยเพชรทางธรรมเรานี่ก็อะไรลูก ป, ประคำที่วัดมันมีพระอุ้งหนึ่งชอบใส่ลูก ป, ประลงตาเลยไปซื้อลูกคิดมาลอยแล้วเอาไปใส่ใหคออ๋อ ใส่ลงไปวะแบบไปบินธบาดด้วยนะ่ะลดน้ําหนักเอายังดีกว่าเพราะเขาใส่แล้วก็ไม่ได้สตินี่ยเข า, เาลดน้ําหนักเอาซะเพราะมันไม่รู้เป้าหมายนั่นขยันเน่าอย่าโยมเอยอย่ามีตัวตนพยายามเละลึกรู้ไปปฏิบัติธรรมละ้ะทำเถอะนะะทําเถอน ะ, อ น, ะนี้ไม่ใช่อ้อนวอนนะเนี่ยด่านะเนี่ย ถาด่าแล้วกีเดีกระเด็นกระดอนออกไปไแจ้งว่าทำถูกแล้วหลวงตางก็ทำถูกฮะได้รับผลประโยชน์แล้วเนี่ยเพราะว่าเทศหวานก็เทศแล้วอืเทศเพลาะก็เทศแล้วเทศไม่เพลาะก็เทศแล้วมันก็จะโง่ยี่แล้วจะทำยังไงอะ่ะชวนพระทั้งหลายลงไปลุมกระทืบดีไหมนี่เอาให้มันไปนิพพานง่ายๆจะดีกว่านะหมดปัญญาอืเอา สุดท้ายอนุโมทนากับญาิ